Buddham s a r a m gaccha. d h a m sariram gaccha. d m i a g c h a m sariram gaccha. d m แล้วก็ขอมาธนาในภาคบายนาะภาคบ่ายนีสัครู่ก็กสนธนากันครับ คุณหมอและทนันตกรรมก็คือพูดในประเด็นที่ก็ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายที่ศึกษาก็ทำก็ควรจะป่าบโล ก, กันนะี้คือในจุดแรกก็คือปาราบโกเกี่ยวในเรื่องของจิตเนี่ยที่บอกว่าท่านอุปมาเหมือนกับปลิงป่าแล้วอีกอุปมาหนึ่งก็คือท่านอุปมาเหมือนนักเต้นระบำเนาะ ถ้าหากว่าเหมือนลิงป่าเนี่ยท่านก็บอกว่ามันจะจับต้นไม้เนี่ยจับไปเรื่อยแล้วมันจะกระโดดจับไปจับไปสัพพัทธ์แล้วมันไม่หยุดส่วนถ้าเหมือนกับนักเต้นเนี่ยนักเต้นในที่นั้นอดีกาท่านบอกว่าเหมือนกับนักนักเต้นส้อนรูปซ้อนหน้าเปลี่ยนหน้ามันก็จะเปลี่ยนมันไปเรื่อยทีนี้ในขณะที่บอกเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยเราก็มาสังเกตดูว่าโอ้เวลาจิตมันเกิดเนะี่ย ถ้าโลภะจิตเกิดแล้วโลภะประเภทไหนเป็นโลภะสมมานะมันก็อีกหน้าหนึ่งใช่ไหมและในโสมมานัทมันมีทิฏฐิสัมยุญย์ก็หรือทิฏฐิวิปยุทธมีมานะประกอบกับมีทิฏฐิประกอบเป็นอสังขาริกหรือสังขาริกใช่ไหมบางครั้งมันก็เป็นอุเบกขาและในอุเบกขามันก็เป็นทิฏฐิประกอบก็ได้หรือประกอบกับมานาะกับด้เป็นวิปยุทธก็ได้เป็น เป็นเป็นสมประยุทธ์ก็ได้เป็นอาสังขาริกเป็นสังนาลิกก็ได้ปารลบลูปารลมก็เป็นอีกหน้าหนึ่งปารลบศรัทธารลมกันดารมรักสารมโบสถารมหรือธรรมารลมมันก็จะเปลี่ยนแว๊บแว๊บมันเรื่อยๆเหมือนนักเต้นเปลี่ยนนะเคื่อมันจะเป็นอย่างเนี้ยบางครั้งก็เห็นผิดบางครั้งก็ยกตัวอะไรต่างๆมาแล้วแต่ทีนี้มอประกลุนโพสาลงมาเงินมันก็มาเปลี่ยนอีกแล้วเป็นอาสังขาริกเป็น ส, สังนาริกเป็นต้นเหลนี้บางครั้งก็มีท Heck, <Das S 1> ีนามิท่าบางทีก็ไม่ม yep. <ashi confusing> ีเลย เออมันก็เป็นวันหนึ่งและในขณะที่โมหะบางทีก็เป็นวิจิกิชาวบางทีก็เป็นอุทัจษะแม้นต่กุศลก็เหมือนกันมันก็จะเปลี่ยนหน้าเหมือนกันก็เป็นสมนัะบ้างเป็นอุเบกขาบ้างเป็นสัมปยุท์เื่อยญแล้ววิคยุทธแล้วก็เป็นอสังขาริสสังขารบางครั้งก็เป็นสัตว์ทิ้ง์แก่ก้าบางทีก็วิริยิยนสีเป็นต้นหนึ่งนี้นะสรุปก็คือมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเปลี่ยนหน้าตลอดเลยทีนี้เราก็มานั่งนึกว่าบางครั้งเราเชื่อมั่น จิตของเรามันทักยุ่งแล้วคนบางคนบอกว่าเราเชื่อมั่นว่าเราคิดอย่างนี้ถูกหรือพอเชื่อมั่นในคิดถูกในวงการนักปฏิบัติธรรมหรือว่านักศึกษาก็ทำก็เริ่มเชื่อมั่นเพราะศึกษาแล้วก็เชื่อมั่นจิตตัวเองทั้งที่จิตมันไม่ได้มีสาระเหตุการที่จะต้องไปยึดถือเชื่อมั่นตรงนั้นอย่าแปลกใจเลยถ้าหากวันใดวันหนึ่งมันจะลุกขึ้นมาพูดว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกอย่างอื่นผิดอย่ะไปแปลกทีนี้ ถ้าในกรณีที่ในกรณีที่เรายัางยังศึกษาก็ยังประเภทที่ว่าเขาเรียกประเภทตาบอดเห็นไหมแล้วมาตาบอดจูงตาบอด จ, จะไปจูงกันเลยนะธ <c oughs> ารมาชอบใจฟาสิเหนือเขาพูดแต่ว่าทัพการอยู่ทางเหนือนละ้วมันจะชัดที่เขาบอกอะไรตุ๊กเจ้าตาดีจูงศรัทธาตาบอดตุ๊กเจ้าไปบอกหอดศรัทธาตาบอดจูงตุ๊กเจ้าตาดีว่าเนย่ย ก็คือใหม่ๆมก็เหมือนพระนี่จะตาเดีนะก็จูงศรัทธายมที่ตาบอกประจงไปประใหม่พระไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันบอกกั๋ยยมจูงพระอย่างจงยอมประจงออกจากวัดจวาไปเลยท <c oughs> ีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไปไปมาๆ ม, มันก็จะเป็นกันละ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเออการศึกษาพระธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบตนเองตลอดว่า แม้แต่ความคิดของตนเองก็ไม่ควรไปยึดว่าหรือไปไปยืนยันว่านีมันใช่หรือผิดมันก็ต้องมาดูมอย่างที่ยกตัวอย่างว่าอย่างยกตัวอย่างว่าโลภะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ดูมันไปเพราะโลภะก็ไม่เที่ยงโทสะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ดูมันไปเพราะโทสะก็ไม่เที่ยงโมหะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดดูมันไปเพาโมหะก็ไม่เที่ยง ถามว่าแค่นี้พอไหมใช่ไหมทีนี้ทํามันพอเนี่ยเราก็ต้องเออมาพิจารณาดูเออที่ที่เราได้ยินคําสอนในลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้ยินคําสอนในลักษณะนี้ก็ต้องมาพิจารณาดู อ, อื่นเป็นตรวจสอบที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรใช่ไหมก็ต้องไปตรวจสอบเออในสังยุตติคายก็มีมีในคมพีทเททเวทาวิตรสูตร ที่พระเจ้าสอนว่าในขณะที่กาม ว, วิตกเกิดขึ้นเบยาบาทวิตกวิงสาวิตกเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์สอนอยังไงให้ใไข้ควรยังไงหรือในสติปัฏฐานสูตรโดยเฉพาะในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ว่าด้วยด้วยด้วยนิวรณ์นิวรณะบาัก <c oughs> ฉันถากไปดูในนิวรณะบักเนี่ยท่านจะสอนเป็นคนละแนวที่คิดกล่าวอดูนี้เป็นทีที่บอกการมะฉันถ้ามีอยู่นภายในจิตก็รู้ชัด การมฉันทะไม่มีอยู่ในภายในจิตก็รู้ชัดว่ากรรมฉันทะไม่มีอยู่ในภายในจิตการมฉันทะที่ไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยใช่ไการมฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยนี่ท่านก็กล่าวขยายไว้เลยบอกว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายอโยนิโสมนัสการนี่แหละเป็นอาหารของการมฉันทะใช่ไหม เมื่อผู้คนมีอายโยนิโสมานสิการแล้วเนี่ยไปมนัสิการหรือไปไข่ครวรในอในสุภาณิมิตเมื่อไปคิดถึงในสุภาณิมิตแล้วตามมาฉันทะที่ยังไม่เคยเกิดมันจะเกิดขึ้นมานะด้วยการที่เราไปไข่ควรผิดพลาดดีแล้วแต่ถ้าตามมาฉันทัที่มันจะไม่เกิดได้ก็เพราะมีโยนิโสมานสิการในอสุภาณิมิตใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เออเนี่ยอยนี้จะโคตรมุมเลยนะ แล้วท่านก็บอกด so so ้วยนะว่าถ the for ้าการไปฉันทาเกิดอยู่ในในในจิตเนี่ยการไข้ครวนเนี่ยการไข้ครวนโดยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายที่แยกคายเนี่ยโดยการใส่ใจในอสุภานิมิตโดยโดยนิเรียนนิมิตกรรมนเรียนเรียนอสุภานิมิตกรรมเรียนอสุภิอสุภานิมิตกรรมฐานเป็นต้นเหล่านี้เอามาไข้ครวนพิจารณาเป็นต้นเหล่านี้การไปฉันทะที่เคยเกิดแล้วก็จะหายไปเนี่ยแล้วก็จะป้องกันด้วยว่าการไปฉันทาที่จะ จะเกิดขึ้นก็จะเกิดไม่ได้อีกต่อไปด้วยการไข้ปวนแนละด้วยการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราดูในในสูตรนะคือตรงนี้พระเดียกรมาเอาธรรมานุปัสสนามาถ้าไปดูในในธรรมหกอย่างเป็นต้นที่เป็นไปแห่งการที่จะละการมวิชัญทด้ถ้าบอกว่า การมฉันทามีอย so so ู world, so ่นภายในจิตก็ย no. ่อมรู M ้ชัดว่าการมฉันทามีอยู่นภายในจิตเมื่อการมฉันทาไม่มีอยู่นภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าการมฉันทาไม่มีอยู่นภายในจิตอันหนึ่งการมาฉันทาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย่นะนี่การมฉันทาที่ยังไม่เกิดนั้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดเนะยก็รู้ชัดการมฉันทาที่เกิดขึ้นแล้วจะรัเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย กาม่ฉันท่าที่ละได้แล้วจัะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้ยวยทีนี้ไอ้คำว่าสันตังก็ว่ามีอยู่คือมีอยู่คือโดยการเกิดขึ้นเนืองๆแล้วก็นะมีอยู่ที่ท่านไม่ได้บอกนะว่ามีอยู่โดยการเกิดขึ้นเนืองๆแล้วก็ให้ให้มันเกิดอยู่ส่วนอสันตังไม่มีอยู่ที่แก่ไม่มีอยู่โดยการไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีอยู่โดยการละได้แล้วคำายะถาจารที่แก่โดยประการใดๆก็การไม่ฉันท่าที่เกิดขึ้นด้วยเหตุใด ประชานาติคือรู้ชติเหตุนั้นท่านอธิบายบอกว่าเพราะการกระทําไว้ในใจโดยไม่แยกขายที่เรียกว่าอายนิสมบนิสิการคือการไปพิจารณาในสุภาณิเอือการไปไข้ควรในสุภานิมิตอสุภาณิมันดีงามอยู่แล้วใช่ไหมนิมิตก็คือว่าสุภานิมิตก็หมายถึงอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ดีอย่างเช่นอารมณ์ทั้งรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีสัมผัสที่ดีแล้วก็ ทำมารมณ์ที่ดีๆที่เราคิดถึงแล้วมันให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินให้ความติดแน่นเนี่ยฉะนั้นการไปไข่ควรอย่างนี้ไปใส่ใจอย่างนี้มากๆอันนี้มันเป็นปัจจัยให้โลภเกิดแล้วมันจะเกิดขึ้นเนืองๆนะที่ยิ่งเราใส่ใจแบบนี้เรื่อยๆมันจะใส่มันจะเกิดขึ้นเนืองๆเหมือนเราชอบที่เวลาเราเกิดทุกข์ใจขึ้นมาขอไปดูของงามๆแล้วเราก็หายทุกข์ใจในชะ่ไหม นี่คือการแก้ปัญหาที่ทุกวันที่เราเราเห็นกันตื้เกินตาก็ทํากันแบบนี้และในอดีตที่เรายังไม่ได้ศึกษาว่าทาแล้วก็เราก็แก้ปัญหาแบบเนี้ยอยู่ในที่ทํางานแล้วมันเครียดเครียดเดี๋ยวไปหาดูนะ้ําบ้างไปเที่ยวดูป่าเขาบ้างดูทะเลบ้างดูปลาทาําเงินปลาทองบ้างเงี้ยนะพอไปดูไปเสร็จบางคนนีที่ทํางานก็เลี้ยงปลาเงิงนปลาทองมันว่าอย่างเงี้ยว่าตัวสองก็คืออะไร ไ ม, เเม่เกิดโทสะก็เอาโลภะมาแก้เกิดโทสะก็แก้ด้วยโลภะถามว่าอย่างเนี้ยเราก็แก้ด้วยสุภานิมิตเมื่อเราเห็นปฏิฆานิมิตคือนิมิตที่ไม่งามเป็นปไม่ดีที่เป็นปัจจัยเกิดโทสะเราก็แก้ด้วยโลภะชีวิตก็อยู่แบบเนี้ยเกิดโทสะใช้โลภะแก้เกิดโทสะใช้โลภะแ ก, ก, ก, แก้แล้วเราก็คิดว่าเราแก้ปัญหาถูกแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าเออโลภะเกิดขึ้นก็ให้ดูไม่ดูเนะี่ยพระเจ้าสอนไงว่า การทําไว้ในใจโดยไม่ยยแค า, าคืออายโอนิโสมณสิาการเนี่ยคือการทําไว้ในใจโดยไม่ถูกอุบายการทำเช็ดไว้ใจไม่ถูกทางไม่ถูกอุบายไม่ถูกทางก็คือทางมีอยู่คือสมามากที่มั้ยถ้าใส่ใจไม่ถูกก็คือว่ามิจฉใส่ใจเพื่อให้มิจฉา changer, ทิถีเป็นต้นเกิดการใส่ใจเพื่อมิจฉาเป็นต้นเกิดเช่นว่าไปใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปใส่ใจในสิ่งที่ไม่งามว่า ง, งามไปใส่ใจสิ่งที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ไปใส่ใจในสิ่งที่มันเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตาาอต า, าเป็นตัวตนเป็นต้นถ้าใส่ใจอย่างนี้มันเป็นการใส่ใจผิดเพราะใส่ใจผิดเนี่ยการทำไว้ในใจโดยไม่แยกคลายให้มมากในสุภาพนิมิตเนี่ยการมันยันท่าก็ย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้ากระรัดไว้ในสัมยตานิกายมหาวารวัคมหาวรก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุภาพนิมิตมีอยู่นะ การทําให้มากซึ่งอาโยนิโสมนัสิการในสุภาพมิตรนั้นอันนี้เป็นอาหารได้อาหารอย่างดีเลยมว่เป็นปัจจัยนะเพื่อความเกิดขึ้นแห่งการมมชันทะที่ยังไม่เกิดและเพื่อความเพื่อเมื่อการมเกิดมชันทะเกิดขึ้นแล้วให้ภับุญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าการมมชันทะยังไม่เกิดถ้าเราไปคิดแบบนี้นะการมมันท้าก็จะเกิดถ้ามันเกิดอยู่แล้วถ้ายิ่งคิดอย่างนี้เป็นความไพัยบุญที่จะเกิดขึ้นมากขึ้น ก็แปลว่าจะทําให้การมาฉันทะคือโลภะความกําหนัดความยินดีความเบื่อเพมันจะเลื่อขึ้นแต่ว่าเราให้ปุ๋ยมาแล้วให้อาหารมาแล้วนี่เขาเรียกว่าเหตุเกิดของการมาฉันทะทีนี้สมมุติว่าถ้าการมาฉันทะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่ะให้ดูไปเพราะกามาฉันทะแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็ให้ดูอ่าโดยสํานวนเงินือว่า ถ้าติกามฉันท่าเอวยาบาทีนะมีท่ามันจในยะเดียวมันถ้าถ้าเกิดขึ้นแล้วท่ารยจะสอนให้ดูสมมติถ้าเราดูนะไอพวกนี้ต้องเลี้ยวเป็นโจรใช่ไม่ใช่ต้องเข้าใจก่อนว่าการไมฉันท่าพยาบาทีนะมิถ้าอุทธาจารกุกขาวิจิปิสาเป็นโจรทีนี้เมื่อเป็นโจรแล้วใช่ไหมเราก็นั่งอยู่เราเป็นเจ้าของบ้านมันปล่อยประตูเข้ามาแล้วมันเริ่มหยิบของอาดูไปอย่างนั้นใช่ไหม แล้วก็ดูไปเพราะมันไม่เที่ยงงเดี๋ยวมันเราไปเดี๋ยวมันเบื่อก็กลับ <c oughs> ก็ดูก็ดูไปหรือที่มันพระบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกการมาชันท้าเนี่ยจะละได้ด้วยการทำไว้ในใจโดยแยกคลายเขาเรียบโยนิสโสมนัสการในอสุภานิมิตพระอาจาสอนอย่างนี้ ในอสุภานิมิต ด, ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอสุภานิมิตมีอยู่การทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในอสุภานิมิตนี้เป็นอาหารนี้ itte, เป็นปัจจัยเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห็นกรรมฉันทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยละกามฉันทะที่เกิดแล้วนี่คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเทียบเคียงว่าอ๋อถ้าคุณไม่ดูแล้วคุณจะรู้จากกรรมฉันทะได้ยังไงนี่มอย่างนี้ประเด็นนี้เนีย ที่เราจะตอบคนบอกไม่ต้องไปดูหรอกความฉันทาเกิดในกระแสะขันของคุณมาในสังสารวัฏในยาวนานแล้วแล้วคุณเรียนรู้ไม่จบหรอกนี่ประการแรกนะเรียนรู้ยังไงก็จะจบที่ไหนล่ะถ้าด้านอีกเข้าต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าพรานนะนรนในพิคุณีสูตรเมื่อเดือนท่านพระนนรนได้บอกว่าเ อ, อนางพิคุณีให้พระนรนไปคือนางพิคุณนะีมีอุบายคืออยากเจอพระนรน ถ้าโน้นก็ไปบอกว่าเอออาศัยตัณหาละตัณหาได้ใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยแต่เมธุนธรรมนี่ให้ชักสะพานซิใช่ <c oughs> <punching S 2> ไหมไปอาศัยเมถุนธรรมละเมถุนธรรมไม่ได้ทีนี้อาศัยตัณหาละตัณหาน่ะมคนละประเด็นอาศัยตัณหาคือความพอใจนี่เนี่ยไอ้ความพอใจอี๋องคนั้นท่านก็ได้วิชาสาวใช่ไหมองคนั้นก็ได้ปฏิสัมขิทายานสี่องนั้นก็ได้าาอภินญาหกเนี่ยอาศัยอย่างเนี้ย แล้วก็เทียนพยายามในการที่จะปราถนาที่จะได้ตรงนั้นแล้วก็เจริญบุญสมเบื้องต้นนี่ยก็เป็นตัณหาแต่ต่อมาทั้งละตัณหานั้นโดยเอาตัณหาเป็นอุปนิสัยปัจจัยเกิดการสืบสมาธิปัญญาอย่างนี้มันได้อย่างนี้มันได้ไ ด, ได้ในแง่ว่าเออเบื้องต้นมันก็ปราถนาเป็นแบบตัณหาเนี่แหละแต่ตัณหานั้นไปปราถนาอริยคุณเพราะปราถนาอริยคุณก็เล่งเพียนพยายามในการที่จะกระทํา ตัณหามันก็ดับไปเมื่อตัณหานั้นดับไปเป็นอุฟนิสยปาปจจัยแก่แก่การที่จะได้มรรคผลนิพพานไปต้นก็เหมือนเราเนี่อาศัยอวิชชาเพื่อละอวิชานะสิ่งทุกวันนี่นะที่เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเนี่ยมันเป็นผลงานของอวิชชาเขาใช่ไหมแล้วก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันผลเป็นผลของกรรมเป็นผลของกุศลกรรมนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของมนุษย์อีกแล้วเป็นผลของตัณหาในอดีต ด, ด้วยเป็นผลของอวิชชาตัณหากรรมในอดีตด้วย แล้วไปบนของกุศลกรรมที่นี่มันได้มาแล้วเนี่ยเออเราจะใช้อันนี้มาวิจัยเพื่อจะละปัญหาละอวิชาละกุศลกรรมได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าอาศัยอวิชาพระละอวิชาอย่างเนี้ได้ในความหมายท่านนะแ ต, แต่แต่นี้ในกรณีอย่างนี้ถ้าบอกว่าการทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะในในการทําไว้ในใจได้ถูกทางถูกอุบายเนี่ย ในสิ่งที่ไม่เที่ยง Juliet, seafood, areas, ar, ว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นท <every> ุกข์ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามว่าเมื่อพโยค่าวจรพิจารณาใครควรโดยบางแยกใครให้มากๆในอสุภนิมิตนั้นก็ย่อมจะละกามฉันท้าเป็นต้นได้ด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไงบอกว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายอสุภนิมิตมีอยู่ในรูปารมณ์ก็มีอสุภนิมิตอยู่ในศรัทธารมก็มีอสุภนิมิตอยู่ใช่ไหม มีอยู่เนืไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าสิ่งที่ไม่งามเนี่ยถ้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากสุภาษณิมิตเป็นอสุภานิมิตเนี่ยมันจะกลายเป็นของไม่งามเันดีเช่นว่าผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันก็มีความงามอยู่ใช่ไหมมีอสสาทอยู่แต่อาร์ตนาวะของผมคนเล็บฟันหนัง ม, มีอยู่นี่เข้าให้เปลี่ยนนิมิตคือเปลี่ยนแบบนี้คือก็คือมาไข่ควรวนอ่า ง, งามจริงะ่ะก็ลเลยมาผมมาไข่ควรวนดูใช่ไหมเออผมประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในหนังสือของผู้บการะนี่รวบรวมมาจากคําสอนของพระเดชาเสด็จดูดิจะเอาผมมาวิจัยเออผมที่ปักลงไปในศีรษะเนี่ยใช่ไหมที่ส่วนที่เลยหนังศีรษะขึ้นมานั้นเกิดจากจิ ต, จตเกิดเกิดจากอุตุแล้วก็ว่าเป็นถ้าปักลงไปในหนังศีรษะเนี่ยเอามีกรรมวัชก ร, ราบกลุ่มหนึ่งภาวะทะัศชะก ร, ราบอีกกลุ่มหนึ่งจิตตชักก ร, ราบกลุ่มหนึ่งอุตุชักก ร, ราบอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็อาหารและชักก ร, ราบอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ย ถ้ากรรมไมชั ก, กระลาบนี่อ๋อเกิดจากกรมเนี่ยมีสิบรูปถ้าภาวะทัศ ก, กราบมี่อีกสิบรูปเนี่ยเป็นยี่สิบใช่ไหมจิตชัศ ก, กราบอีกแปดอุตุชั ก, กระาบแปดอาหารและชั ก, กราบอีกแปดรวมเป็นสี่สิบสี่รูปเนี่ยนะอ๋อในสี่สิบสี่รูปเนี่ยเกิดจากปัจจัยนี่ไม่งามยังไงนะอถ้าปักลงไปในหนังสีรสาก็กินนั่นแหละมันก็จะมีน้ําเลือดน้ำหนองในหนังสีสากเป็นต้นใช่ไหม อมันก็มาหล่อเลี้ยงมันจะไปต่างอะไรกับผักที่มันอยู่ใกล้สุวมนี้นะใกล้ซุ้มผักบุ้งก็ดีผักตําลึงเป็นต้นก็ดีที่มันอยู่ใกล้ฐานอุจจาระเนี่ยนะมันก็ดูดซึมกินของโสโคกมันแต่ดูใบมันงามนะดูยอดมันก็งามดูรากมันก็งามดูงามหมดเลยแต่มันดูดกินของไม่ไม่งามอือผมที่บอกว่างามนี่จริงๆเริ่มไม่งามแล้วต่นี้นะ จะเห็นได้ชัดแต่ผมนั้นหลุดล่วงมาใส่อาหารโอ้เป็นของไม่สะอาดขึ้นมาทันทีเลยก็ใครครวร อ, อีกไม่งามอย่างรท่านว่าจริงๆคือเห็นไหมถ้ามองอีกอีกจุดหนึ่งถ้าขาดถ้าขาดโยนิโสมณัสสิการผมนั้นงามแต่พอมีโยนิโสมณัสสิการไปใครครวรไปมาผมนั้นกลายเป็นของไม่งามดันทีอันนี้คือของจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยของแบบนี้ก็มีอยู่แล้วเนี่ย นึกโถแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสัตว์โลกก็ไขว่คว้นกันไม่เป็นเนี่ยต้องพูดทานี้ด้วยถ้าไปบอกเออเนี่ยพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วเห็นไหมคุณก็เห็นอยู่อะไรเงี้ยดูความสําคัญของพระพุทธเจ้าพอค่อยๆหมดไปหมดไปอย่ทีนี้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมความสําคัญที่เราบอกว่ปฏิ้าพระเจ้าเห็นอย่างนี้เพราะอาศัยพระบรมศาสดาบอก แล้วที่ข้าพเจ้าเห็นอยู่อย่างนี้เห็นโดยสุตตามียะปัญญาก่อนนะว่างั้นฮะไม่ใช่ข้าพเจ้าคิดเองจนเห็นนะว่างั้นถ้าลําพังลำถ้าแส่ขันของข้าพเจ้าเองไม่มีอะไรหรอกแต่ได้อาศัยพระธรรมของพระผู้มีพระเจ้าที่จงทรงจาสืบทอกันมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละข้าพเจ้าจึงสามารถที่จะคิดเต่งได้บ้างไอ้ตรงนี้จะได้ไม่ลืมพระคุณของพระเจ้านี่เท่านั้น เมื่อไม่ลืมพระคุณของเห็นคุณของพระเจ้าแล้วจะได้ชาติโอ้คําสอนของพระเดชาอันนี่เป็นอย่างนี้คือศึกษาคําสอนแล้วเนี่ยตัวเองก็จะได้ลดลงอัตตาพอดีมานณพอดีจะลดลงเพราะอันนี้เป็นอุบายวิธีแห่งการในการที่จะแทงตลอดแต่ไม่ใช่ถ้าอัตตาใหญ่ขึ้นมันมันเริ่มนะเข้าในเข้าพระพุทธเจ้าเริ่มหมดความสําคัญแล้วอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มจะเสียหายแล้วเดี๋ยวมเริ่มจะออกลอกวิธีก็มาด้ึงว่าจิตเนี่ยมันโกงแล้ว จิตมันเริ่มจะโกงแล้วก็ต้องอะนี่ก็ต้องบอกว่าเอเนี่ยที่คุณเริ่มจะออกนอกลูนอกทางแล้วนะเราต้องสอนจิตก็มีเพราะมันออกมามันออกมาในสังสารวัฏที่มันโดดออกนอกทางมาตลอดเวลานะท่านจึงบอกว่านี่เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งกามาันงท่าที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อล่ากามาชั่งท่าที่เกิดขึ้นแล้วและวเหตุเนี่ยนะธรรมที่เป็นเหตุแห่งการล่ากามาชันท่าไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ บอกว่าหนึ่งกำหนดอสุภานิมิตเป็นอารมณ์เนี่ท่านสอนนี่นะถ้าจะละกรามมฉันทาเนี่ยต้องกําหนดอสุภานิมิตเป็นอารมณ์ถ้าบอกว่าเออกามมาฉันทาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูเฉยๆถ้าไปบอกว่าไปพิจารณาอสุภาแล้วมันผิดเนี่ยไปบอกว่าผิดเนี่ยต้องฉีกเลยตรงนี้ถ้าเชื่อเนี่ยต้องฉีกฉีกฉีกสูตรที่ทิ้งวะนี่ใฉีกกรมมาฉันทาทิ้งแล้วไม่พอต้องไปฉีกพยาบาทพยาบา ท, ทาอีกแล้ว ทีนั่นไม่ทะทิ้งอีกแล้วอุธาจารกุกุจาร์เอาวิจิกิขาท้งอี่แล้วนยากเข้าพระใจวีดกจะเหลือไหมนี่ก็ไม่เหลือแล้วแต่นี้ถึงนี่แล้วเขามามองเออือถ้าเราได้ยินในลักษณะนี้จะต้องมานัสิการมานั่งคุย เ, ออเนี่ยเออเนี่ยมันมีลักษณะอย่างเนี้เกิดขึ้นมาให้สังเกตุกไหมตอนที่อริตกาวพิคุที่บอกว่าบอกว่าว่าตนเองรู้แจ้งแจ้งตลอดในว่าธรรมของพระพุทธเจ้าว่าธรรมไม่ทําอันตรายเนี่ยที่บอกว่าเออเนี่ย เกี ficar, uh, ่ยวในเรื่องของพระเนี่ยเกี่ยวไปในเรื่องของเสกขาบทเนี่ยคือพระถูกต้องกายหญิงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็คือมหาพูดใช่ไหมเออคาราวาที่เป็นพระโสดาบันก็ยังมีครอบครัวเขาเป็นพระโสดาบันได้มีครอบครัวก็ยังเป็นทระสกทาคาได้เป็นต้นอย่างนี้มีมียุ่งแล้วในทางเนี้ยทาอย่างนี้ยุ่งแล้วเพราะว่าไปไปเทียบเพียงคําสอนของพรธเจ้าผิดคาดเลยถามว่าท่านลูปนี้ท่าน เก่พระไตรปิฎกไหมจบทันรู้ได้เจ้าใช่ไม่ใช่ช่ำชองไหมช่ำชองสอนได้ไหมใช่เนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนี่คุยกับผู่ถามอะไรเกิดขึ้นพระมากรยยายยศพยายามบอกว่าเออจริงๆตรงนี้เนะี่ยถ้าหลังพุทธปปินิขพานร้อยปีลงไปดูที่มีทุติยสังคายนาขึ้นที่ควานวชีถ้าไปที่ควานวชีวเราจะเห็นว่าเออเนี่ยที่มีการสังคายนานี่มีพระกลุ่มหนึ่ที่ไปบัญญัติสขาบทศิปการ ว่าเออเนี่ยการถ้าเป็นคําสอนของอาจารย์ที่สอนสืบๆกันมาแนละ้วถือว่าใช้ได้เป็นต้นเหล่านี้แล้วคำเงินและทองสมบูรกับพระเป็นต้นอะไรต่างๆเยอะๆนี่นะนี่ในสิบข้อนะั้นอันนี้แปลว่ามันจักยุ่งแลนะ้วเนี่ยทั้งๆที่ท่านเหล่านั้นท้าวมาชํานาญกับพระที่ทรงพระใจวิโดภัยยนะุคนี้เนี่ยคนละประเด็นเทียบกันไม่ได้หลอกแต่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะมาดูอ๋อกระแสคำที่เคยเห็นผิดในอดีตนั้นมันแรงมาก มันแรงมากควาว่าอุปนิสยปัจิจัยเนี่ยมันแรงมากเวลามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอื่นจากพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องก็ต้องคอยคอยระมัดระวังแล้วก็ต้องคอยเตือนเรน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยด้วยการที่อัดอย่าแปลกใจว่าทําไมมันไม่ไม่อยู่พ้นถ้าเราชนานาญคําสอนของพระพุทธเจ้า จ, จริงๆเนี่ยไม่อยู่มาถึงนี้หรอกต้องคิดอย่างนี้นะแล้วจะได้ชัดไม่อยู่มาถึงนี้หรอก ถ้าอยู่มาถึงนี้แปลว่าเคยปฏิบัติผิดต่ อ, อพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อเคยปฏิบัติผิดเนี้ยตรงนี้เราก็ต้องมาน้อมใหม่แล้วก็จะต้องใถ่ควนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หันกลับมาดูใหม่เออมันอะไรเกิดขึ้นในวงการในการศึกษาว่าทํามบ้านเรามีพอพิจารณาอยู่โอ้แค่จบดีไม่ดีแต่แค่จบไม่พอแลแต่การไถ่ควรที่เป็นโยนิโสมันสิการต้องชัดแล้วก็จะต้องพึงระมัดระวังอคติสรกรรมเก่กกาๆที่ตนเองเคยผิดพลาดมาเนี่ย ถ้ามันมีกําลังว่าไรมายังไงก็ที่บอกว่ารวังระวังกจะแะระวังคูง่ปฏิยัติโดยเฉพาะพระวังคู้ปฏิยัติเนี่ยเป็นอนันตระสมานันตระอนันตรุบริสยาณติวิคตาปัจจัยเนี่ยอุปการะอะไรอุปการะมนโนทวารละชนะฉะนั้นมนโนทวารละชนะเนี่ยถ้ามันเป็นโยนิสมนัสิการดีไม่ดีที่โยนิโสมนัสิกานี่มาจากอะไรอยโยนิสมนัสิการมันมาจากอะไรใช่ไหมมันก็ต้องดูเออโยนิสมนสิกานี่มาจากการฟังรัศธรรม มาอย่าฟังพระสัตธรรมเนี่ยทีนี้การฟังพระสัตธรรมเนี่ยถามในสังสารวัฏที่ผ่านมาจริงไหมว่าเราฟ e ังพระสัทธรรมมาอย่างเดียวระหว่างระสัตธรรมเนี่ยนะคือที่เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรมากกว่ากันนะทินมันก็คืออสัตธรรมนั่นแหละที่เราฟังมากกว่าสัตธรรมมากใช่ไหมถามว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยในขณะที่เราสนทนากันเนี่ยที่เป็นไปกับพระธรรมกับที่นอกพระธรรมเนี่ยอะไรมากกว่ากันก็เริ่มคิดแล้วองแเนี้ยใช่ไหม ถ้าอย่างนี้มันจะเริ่มรู้ว่าโอ้กระแสขันของเราเนี่ยมันน้อมไปในสิ่งที่อสัตรธรรมมากกว่าสัตว์ธรมากกว่าพระสัตธรรมนั่นเองเขามาพิจารณาดูว่าเมื่อรูปลารมปรากฏทางทลองช้าจากขุทวานแล้วน่ยปรานกุศลแระทเป็นไปไหมศ ร, รมัทธาลมขันตาลมและสาลรรมบทถารลมหรือธรรมรมที่มันเข้าสู่ทางจากขุทวานโซตะทวานกาทะทวานชิวหาทวานกายทวานท่านถึงอุปมาใช่ไหมอายตนาภายในเหมือนเลื่นล้างอายตนาภายนอกเหมือนโจนต้นเมีย เออมันมาตลอดแล้วมันมาโป้นจริงๆนะศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลเนี่ยมันอยู่ในอริยทรัพย์ที่อยู่ภายในเนี่ยมันเกลี้ยงทุกวันเลยบางทีใช่ไหมแล้ววันวันหนึ่งเรามานักสิการ์คำสอนสักเท่าไหร่อย่าแปลกใจถ้ามันจะคิดผิดที่จะมาตั้งประเด็นไว้แต่ทีแรกเละถ้ามันคิดถูกทีประหลัดเนี่ยใช่ไหมถ้ามันเกิดคิดถูกขึ้นมานี่ไม่ธรรมดาแล้วแสดงว่ากระแสขันของท่านพุทธานี่ใกล้ต่อพระพุทธเจ้าเลยใกล้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้ว ที่พระพุทธเจ้าอเธอไม่ได้เห็นแต่ถาคตเนี่ยแสดงว่ามันใกล้จะเห็นแล้วแบบเนี้ยจิตที่น้อมหรือว่าคนที่เขาน้อมจริงๆเนี่ยในขณะที่น้อมเข้าหาว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่ติดขัดเลยนะเช่นอาศัยตาแ ล, ล้วโลกเกิดจากภูวิญญาณการประชุมของทำสามประการเป็นผัสสะเนี่ยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเขารู้ทดีนะเนี่ยถ้าเขาไม่มนานัศิการไข้ครัวนี้ดูเนี่ยไอเวทนานี่มันให้สุข มันให้ทุกสามประการเนียทุกประทุกวิปริณามะทุกสังขาระทุกเกิดขึ้นนะเออถ้าหากไตัวทุกขเวทนาเกิดขึ้นตามมาด้วยปฏิกานุสัยนะสุขเวทนาเกิดขึ้นมันตามมาด้วยราคะนุสัยเนะียหรือว่าโมหะเกิดขึ้นเนี่ยเออเอา อ, อเวทนาที่เป็นอุเบกขาเกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยอาวิชานุสัยเนียที่เขาเขารู้ขนาดนั้นต้องการทำใช่ไหม แต่ทางพระบาหานก็เกิดขึ้นจากการที่เขามีสติสังวรเป็นต้นเนี่ยเข้ามาปิดกั้นในการที่ไม่ให้บาปอกุศลเข้าสู่กระแสขันของเขาได้อย่างนี้เขาชัดแล้ว อ, อแปลว่าโยนที่สองในสุขานก็ดีมากใช่ไหมในชีวิตจริงเนี่ยทีนี้ว่าถาม อ, อในชีวิตจริงของเรามันตรงนี้ไม่ค่อยชําชองเนี่ยอยแปลกใจถ้าเราฟังอะไรปุ๊บแล้วก็คิดผิดอยู่เรื่อยแล้วในขณะพอคิดผิดขึ้นมาก็พอพอเห็นผิดปุ๊บก็คิดผิดใช่ไหมหเห็นผิดเป็นตัวสัมมา มิจฉาทิฏฐิพอมิจฉาทิฏฐิก็มิจฉาสังกปัปป์ต่อมาคำพูดไม่ต้องพูดถึงมิจฉ า, า, า, า, า, า, า, า, าวายามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิเนี่ยการการที่คิดผิดผิดมันก็จะตามมาในลักษณะนี้แล้วความคิดผิดอย่างนี้ไปรูปำทำประทำของพุทธเจ้าด้วยนะมันก็เลยโอ้ยอย่าแปลกใจเลยการที่จะมาเข้าใจว่าเออทาอย่างนั้นมันยากแล้วมันยากจริงๆนะ ถ้าพูดกันโดยตรงเลยนะว่าเออจะเป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยากแต่ถ้าจะมาประยุกต์เข้ามันง่ายๆเนี่ยมันง่ายแต่มันกลายเป็นมรกง่ายเอาสิพอพอทำปุ๊บเนี่ยบรรยากาศเป็นมรกง่ายเลยแล้วมันจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกเทที่แรกมันเหมือนว่าเออเราเราเกิดเหมนบางคนมันอ่าบางคนโดยส่วนมากเราอยู่นี่มันเครียดเนเดี๋ยวเราหาไปเข้าสงบสงบหน่อยมันก็แค่ได้ระดับหนึ่งจริงๆ ที่บอกเออไปอยู aka, ่สงบสงบแล้วก็เไปอยู่กับปัจจุบันนะที่อยู่กับปัจจุบันที่เหมือนพระเมื่อวานพระกัเราเนี่ยเรามาฟังดูว่าเออมีนักปฏิบัติท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์เขบอกสามเดือนเนี่ยอยู่กับปรมาจาตลอดเลยครูการเชื่อไเชื่อไหไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยการหัวแข็งนี่ทำไมทำไไม่ยอมเชื่อเลย คือเขาบอกว่านี่ไะเขาบอกใครสามเดือนนี่บอกก็อยู่กับปรมาตาย์อย่างเดียวเลยบ่างั้นไม่คือเรมาเขาบอกไม่ธองมาดาได้อยู่กับนั่นก็มาถึงตอนสามเดือนนี่อยู่อยู่กับปรมาจารยแสดงว่าจะพูดออกมาไม่ได้เลยยช่ไหมกับปรมาจย์เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยน่าจะพูดยังไงดีบอกว่าที่จะพูดยังไงเนี่ย ขันห้ามีความละอายต่อ บ, บาไม่มันก็ยังมีบัญญัติอยู่ใช่ไหะขันห้าก็ยังมันบัญญัติอยู่นะมีความละอายต่อเบาขันห้ากโกรธไ ม, ม, ม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมทีมะจะอยู่ยังไมมงมาพระท่านก็บอกรู้สิท่านอาจารย์ว่ามาพูดถ้าผมไม่รู้ว่าทำของพระเจ้าสักนิดเลยมาพูดอย่างนี้ อันนี้ผมรู้แล้วมาบอกผมําไมะโยะบอกทงให้ความโกรธของผมเกิดก่อนรักโกรธแล้วแต่วามาเปลยป็นเรื่องแย่ดีที่อยู่กับปรมะาจาย์ังไงได้สามเดือนก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยกลายเป็นวิปัสสนาอึดอัดเลยยิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งจากกว้างโมหะรู้กว้างมาก โมหานี่รู้ทั้งขันอนยะตะนาธาสัจจะอิทรีแปบนี้เออโ ม, ม, มหะเนี่ยบอกว่าไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขสมุทยัยไม่รู้ในทุกขานิโรธไม่รู้ในทุกขานิโรธครม่มีปฏิปทาไม่รู้ขันในยะตะนาธาที่เป็นอดีตไม่รู้ขันในยะตะนาธาที่เป็นอนาคตไม่รู้ขันอนยะตะนาธาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตไม่รู้ในปิติสุบะแบบนี้โมหะนีท่างบอกว่าโดยสรุปเนี่ยโ ม, มหะเนี่ย ไปพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราอยาไปแปลว่าโมหะมไม่รู้นะมีเนี้ออาจมาพูดโมหะเนี่ยมันรู้ทุกเรื่องเลยแต่มันไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันเป็นยังไงเนียโมหะนั่นไม่ใช่โมหะไม่รู้อัตถกาถาความิดฉายานะโมหะมันรู้ผิดรู้ผิดทีนี้โมะอย่างที่บอกว่าโมหะเนี่ยเขารู้อะไรเขารู้ในโลกยธธรรมทั้งหมดนี่โมหะรู้หมดเลย ใช่หมสามารถเอามาเป็นอารมณ์ได้หมดด้วยโมหะนี่นะให้สังเกตุ ด, ดูมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกะป่เป็นต้นอะไรเนียนะ้ยไอตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็รู้ในขณะที่บางถ้าถามว่าอารระดาบทเรื่องอุทธากาดาบุถ้าถามว่าที่ท่านแทงตลอดอริยสัจไม่ได้เพราะท่า น, นมีโมหะอยู่นะท่านรู้ยันนุนะรูปปัะฉามันไหมนะแล้วสูงสุดเนี่ยท่านรู้หมดแล้วไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของศีล ระดับพื้นฐานสมาธิระดับพื้นฐานแล้วสุดยอดที่ทะลุหมดแล้วรู้ขนาดนั้น น, นี่คือโมหะแต่พระเจ้าใช้คําว่ามหาชนิโยเสื่อมใหญ่แล้ววิบัติใหญ่แล้วใช้คําหนักๆ ห, หน่อยก็้มาชิ้หายใหญ่แล้วใช่ไหมคําคํานี้เลยนะบอกโอยมันไม่ใช่วิบัติธรรมดาแล้วเป็นวิบัติอย่างอย่างแสนสาหัสแล้วแล้วอัธยาศัยที่เห็นผิดนะ่นแะมันอีกยาวไกลนะประมาณนั้นนะ อีกยาไประนะเพราะว่าอัตยาศัยที่สั่งสมมาผิดภาดโทษของการไม่เจอพระพุทธเจ้าหรือไม่ทันพระพุทธเจ้าฉะนั้นการกําหนดอสุภานิมิตเนี่ยนะนะเป็นอารมณ์เนี่ยในทุกทุกทาวานิมิต้นเหล่าเนี้ยหรือในทุกทุกอารมณ์เบื้ต้นเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่การลา ะ, ระชักความเฉฉันท์นะประกอบเนืองๆซึ่งอสุภะภาวนาไหมถ้าถามว่า เออถ้าหากว่าในในขณะกางประันท้าเป็นต้นเกิดขึ้นเนี่ยแล้วแม่คิดถึงอสุภะมันยุ่งแล้วมันก็ขัดไปใหญ่เลยแต่เนี้ยแล้วรักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็แปลว่าหนึ่งอินทรีย์สังวรเนี่ยต้องดีเพราะว่าอินทรีย์สังวรนี่จะเป็นปัจจัยก่การประกอบอสุภะภาวนาได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยถ้าหากไม่เจริญอินทรีย์สังวรเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตาเห็นโรคใยไม่เป็นบาปตัวนี้ตัวปิดกั้นบาปได้อย่างดีอยู่มั้ยระดับอินทรีย์สังวรเนี่ย แล้วก็รู้จักประมาณในโภชนะแล้วก็ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยช่วยได้เยอะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็สนทนาเรื่องที่เป็นสัปพายกถาท่านก็บอกสัพพายกถาที่เกี่ยวกับอสุภะถ้าใครพูดเรื่องอสุภะได้ดีเนี่ยไปคุยกับเขาบ่อยๆในความที่ว่าเราเราเป็นผู้ที่ติดข้องในกรรมฉัชันทะหรือกรรมวัคุณเนาะเพรากรมวคุณมันตัวผล่ตัวมัดเนี่ยทำให้เราติดแน่น ออกจากสังสารและวัดไมแดนเนี่ยเราลองไปคุยกับคนที่เขาเห็นโทษของกามาคุณมากๆเขาก็จะไปพูดหรืออย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่ท่านอุปมาว่ากามาคุณก็เหมือนกับคนเป็นโรคเรื้อนจริงเนี้ยหรือว่าพูดถึงในเรื่องการมมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากเนี่ยพึงเจริญกุศลคนกุศลพรมจรัญว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเป็นต้เหล่าเนี้ยก็ไปพิจารณาโ ด, โดกาาูกามาคุณเนี่ยมันให้สุขน้อยนิดแค่นั้นเองแต่มันให้โทษอย่างมหาเลยพระมาณนั้นถามว่าเออเหมือนที่พระพุทธเจ้าแสดงนะ หรืออย่างที่สาวโบของพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเวลาพระองค์แสดงเวลาสาวโบของพระพุทธเจ้าแสดงหรือพระพุทธเจ้าแสดงในอย่างยกตัวอย่างเช่นเทวทูตสูตรเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเทวทูตสูตรใช่ไหมเวลาแสดงแสดงไปเนี่ยโอ้คุณกลุ่มที่ชอบกรรมคุณทั้งหลายเนี่โอ้ขยับเลยเวลาพระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้ในขณะที่แสดงไปเป็นไปตามลำดับเนี่ยจนท้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ควรจะเลิญขอให้พระองค์หยุดสอนคือเท่จบไม่ได้ เพราะในขณะที่พระองค์เทศไปเนี่ยภาพนิมิตดเนื้ยภาพมีมิดในอบายภูมิทั้งหลายในอเวจีเป็นต้นหนึ่งโผล่เข้าในใจของพระสาวกเวลาพระเจ้าแสดงธรรมธรรมดายอย่างพวกเราแสดงกันที่ไหนใช่ไหมแสดงพบภาพปรปรากฏในใจเห็นเลยเช่นพอแสดงอบายภูมิเช่นอเวจีหมาในโลกเนี่ยสัตว์ในอเวจีก็วิ่งพานในกระแส จ, จิตเลยใช่ไหมอย่างเรานี่เวลาแสดงเรื่องอบายภูมิแล้วก็เฉยๆใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย อย่าแปลกใจเลยว่าเวลาพระพุเจ้ากำหนดต่างๆเนี่ยเราพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเหมือนกับสะกดใช่ไหมแล้วภาพนิมิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นในใจของท่านพูกนั้นพอแสดงว่ามีเอาเวจีหมาในโลกแล้วตอนนี้สัตว์กําลังวุ่นวายกันอยู่ในนั้นเนี่ยถูกไฟปาทิศติดติดต่างๆเหล่านี้เนาะพุ่งลงมาเนี่ยแล้วก็สัตว์นั้นก็กําลังวิ่งหนีไฟไฟก็ไหม้ติดลุกโชวนในเรื่องต่างๆเลยนี่นะ กระแสจิตของท่านที่ฟังนั้นก็โอ้ทนไม่ไหวทุกคสัจจะแหลงเลยอกให้อูดบอกว่าไม่ไหวแล้วครับพุทธเจ้าหยุดสแสดงนะทำไมกห็หยุดสแสดงเสรเสร็จแล้วตนเองรี่ไปเจริญทำความเพียรได้บรรลุถึงมาฟังใหม่ mm hmm. ทำไมเป็นอย่างนั้นรู้ไหมถ้าหากว่าพืนฟังไปถ้าจิตติจิตเกิดนในขณนะนั้นขึ้นมาแล้วตนเองยังยังชำระกระแสขันให้เป็นบให้บริสุทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมเอ mm hmm. าไบยภูมีโอกาสได้ท่านกลัวกันขนาดนั้น แล้วก็ไม่เคยมีความสะดุ้มจะเตือนใช่ไหมมันเป็นยงไงแล้ลลลวก็อมีพอเราพูดพระองค์แสดงทุกกษัตริย์มันชัดเวลาแสดงโอ้โหอย่างก็บเอามีดเฉือนเนื้อกันเลยว่ามันยะบังสูตรเนีสังเกตไแสดงปุ๊บเนี่ยอาเจียนเป็นเลือดเลยใช่ไแสดงอาเจียนออกเป็นเลือดเลยทาเนีโอ้โขนาดนั้นอันนี้ก็คือนั่นแหะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าถ้าไม่ ถ้าการแสดงพฤตธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ชัดหรือไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นน่ยก็เปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์โลกจากปุถุชนเป็นเป็นกัญยาณปุถุชนจากกัญยาณปุถุชนเป็นปัสสดาบันจากพกระโสดาบันเป็นสกอาธาเป็นจากพระสกอาธาเป็นนาคาจะเป็นนาคาเป็นผ้าหลานไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าคนที่เขามีปัญญาปรารถนาเกี่ยวกับในเรื่องของเป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องยับยัง้งนะถ้าเหล่านี้ต้องยับย้งกับเสดจัยท่านเพราะว่าให้สังเกตดูที่พระพุทธศาสนาเนี่ย สังขารุเปกขายานอนุโลมยานเนี่ยเกิดขึ้นกับท่านทัพใทุกชาติตถ้าท่านเป็นมนุษย์ที่ได้เข้ามาบวชในศ า, าสนาท่านตั้งวิปัสนาปักเดียวเลยถึงหมดเดลนายา น, นั่นวิปัสนาญาณน่านกว้างขวางมากถ้าดูวิปัสนาญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมวิปัสนาญาณของพระพุทธเจ้าของพระปเจกับพระพุทธเจ้าของพระอรหัตคสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของมหาสาวกของอรสีติมหาสาวกนี่ไง ของปกติสาวกอยู่วิปัสสนาญาณอยพบมีความกว้างขวางแตกต่างกันเลยเออไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันหรอกที น, นี้เราก็ไปสังเกตดูอ๋เป็นเวล า, วาท่านเดินเรื่องเกี่ยวในเรื่องของสังขารูปเกศาเออเขอ้าไปในเรื่องของสมมาสนญาณหรือว่าเติมตั้แบบงแต่นามรูปปริเทตยานปัจจยปริกขายานหรือว่าสมมสนาญาณของท่านดูของภาษาริบุตรีท่ช้าเว่าเลยไรไหมพวกกันช้าพราะว่าท่านใกล้ควรมาก กระแสะขันของภาษาวกทั้งหลายท่านเอามาไข้รวมไปเลยอย่างนี้ยวิปัสสนาญาณของท่านกว้างขวางเวลากว้างขวางเนี่ยที่ท่านถึงบอกว่าบรรลุเนี่ยเวลาท่านบรรลุเนี่ยสามารถขยายไว้เป็นร้อยในพันในนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่ต้องพูดเลยจะเอาทั้งปรรมะและบัญญัติมาพิจาริแลย ที่เรากลัวท่านก็เกิดวิปัสสนากลัวบัญญัติไปเจอบัญญตัติกหดเลยวิปัสสนาหดเลยไม่ใช่นันทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องต่างๆเราเนี้ยนะนี่นี่คือกลุ่มในเรื่องของการม่ฉันทะท่านก็บอกว่าในขณะที่ว่าปิดกั้นทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ดีการรู้จักประมาณในโพชนะคือโดยเว้นจากโอกาสที่จะบริโภคสี่ถึงห้าคำแล้วก็ดื่มน้ำแทนเป็นต้นก็ดีเนี่ย เหตุนั้นท่านภาษาลิบุท่านก็กล่าวไว้ในคุทกานิกายถีอและคาถาบอกว่ภิกษุเว้นข้าวเสี้ยสี่ถึงห้าคำแล้วก็เลิกฉันแล้วก็ดื่มน้ำนี่เป็นข้อปฏิบัติอันสมควรเกี่ยภิกษุพูดตั้งตนที่ส่งตนไปแล้วส่งตนไปไหนส่งตนไปในในการที่ในพระนิพพานเป็นต้นนั้นแม้เมื่อพระโยคาวจรเข้าหากัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้ยินดีในการเจริญอสุภะภาวนาอันนั้นก็เรียกว่าก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการถือละกามฉันทะเป็นต้นได้ สนทนาเรื่องอะไรเอาอาสุภาษิอย่างมาสนทนานะก็เอาตั้งแต่อุทุสมาตะกะอสุภาษมาพิจารณาจนที่บอกว่าพิจารณาไปจนเห็นแม้จะเห็นผิวเห็นดินในพื้นดินเนี่ยเห็นโู้เป็นกระดูกของสัตว์โลกที่เคยตายทับถมกันมาในสังสารวัฏทั้งนั้นเลยอันนี้แปลว่าโอ้อสุภาษเกิดได้มากเลยนะัหนักเข้าของพิจารณาอาสุภาภายในในสิ่งที่มีชีวิตในชะ่ไหม ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกยื่เป็นอัศวะไหมอย่างเงี้ยท่านก็มาใคร่ควรลงนี่ยประชุมลองสู่กระแสขันอ้ขันนี้ก็ไม่งานการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญอสุภะกรรมธรานในียบบททั้งหลายยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเหล่านี้ก็รู้ว่าจะเป็นของไม่งามดังนั้นนี่มันจะละกามประชันท้ได้ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้หรือก็สนทนาก็อาศัยอัศวะในียบบททั้งหลายด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทำหกประการเนี่ยเป็นไปเพื่อละความประชันทะ เมื่อเธอย่อมรู้ชัดการมาฉันท้าที่ละได้แล้วด้วยทำหกประการนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปได้ด้วยอะไรนะเราพิจารณาว่าอาหลาธรรมะนช่ไหมถามว่าตราบใดอาหลาธรรคยังไม่เกิดขึ้นไว้ใจได้ไหมผมไม่ได้สรุปแล้วก็คือว่าเริ่มตั้งแต่โสดาปริมัคยังไม่เกิดขึ้นในกระแสขันเลยเนี่ยเราจะไว้ใจได้ยังไงวันใดวันหนึ่งเราจะเห็นสิ่งนี้เป็นของงามเป็นต้นไปได้ท่านสอนขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้ในสูตรท่านให้ลงขนาดนั้น ถ้าเราอย่ามาอยู่เพียงครับการมาชันท่าเกิดแล้วก็ปล่อยมันเกิดแล้วก็ดูไปอพอที่มันเราคนไม่พอต้องบอก ม, มันไม่เพียงพอเพราะกี่เล่เป็นพิศดารไปนั้นเยอ่มันมันไม่อยู่หรอกถ้าพูดอย่างนี้นะบอกว่าพิจารณาไปเรื่อยๆเหมือนกินยากินยาที่มันเบามากที่สมมุติเราเป็นโครคคันเนี่ยนะกินไปเรื่อยๆอยคุณหมอมันด้านยาอาจจะตู้ดื้อยาไหนะเข้าในาเข้าการเป็นโรคดื้อยาเลยนะไอกินแบบนี้ เขาบอกว่าปริมาณยาที่ดื่มมันไม่พอแค่นี้ไม่พอกัการละกำลังฉันนะถ้ามันเพียงพอกว่านี้คุณบรรลุน้ำแล้วต้องบอกว่าคุณบรรลุน้ำแล้วฉะนั้นต้องเพิ่มขนาดยาอีกก็คือเนี่ยที่พระเจ้าบอกเขาไว้ว่นแต่เสด็จได้ดื่มยาไม่ได้อยู่แต่หน้าหมอเลยหือว่าดื่มยาไม่อยู่แต่หน้าหมอก็จคือเนี่ยตรงเนี้ยเวลเขาบอกนี่แหละหมอหรือพระเจ้า ก็ดูขนาดเหตการเนี่ยการไปฉันทะมันจะเพียงพอกับการที่จะละได้ก็ต้องทําสอนนะั้นต้องเพียงพอนะยิ่งพย า, ายามมากไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปฏิเสธทําไมความโกรธเนี่ยเวลาเกิดขึ้นก็ดูไปอุท้ า, ายเลยเอาเวลาหงดหิวเนี่ยป่อยมันเกิดขึ้นไปแล้วก็พูดไปเรื่อยเอาเวลาโทสะเกิดขึ้นก็พูดเรื่อยเื่อดีไหมบอกว่าคือเขาบอกว่าก็เหมือนที่ ท, ที่ที่นั่งนมาเขาบอกว่า ถ้าเขาโกรธเห็นจะไม่มีใครรู้เขาหรือว่าเขาโกรธถามได้ไหมถามว่าเป็นไงอยู่เขาก็จะเก็บเงียบไว้แต่พอเก็บนานๆมั น, น, นจะระเบิดแล้วก็มันระเบิดแล้วก็ลลวกกปล่อยครูว่อะไรเงี้ยบางคนไม่งนันนะโกรธนะไม่ไมด้ไปโกรธจะต่อหน้าไม่กล้าก็ลงไปข้างล่างไปเข้าห้องน้ำก็ไปกลับปันกรดกรล้วแต่ทำไมเด็กไปเจออยแต่เนื้ที่สุดที่คําสอนเนี่ยเรียนมาลืม จริงๆถ้าถามว่าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่เราไปดูโทสะเนี่ยเรามั่นใจหรือเปล่าว่าสติสัมปชัญญะไปดูใช่ไหมโทสะดูโทสะเป็นอารมณ์ก็ได้ลองไปดูทีอกุศโลธรรมโอกุศลัสสะธรรมมาสะอารามนาปัจเจเนปัจโยอะคืออะไรเนี่ยอกุศลเป็นปัจจัยช่วยอุปการะกิอกุศลด้วยด้วยอารามนาปัจจัยก็โทสะเป็นอกุศลใช่ไหมเป็นปัจจัยช่วยอุปการะเกิดโทสะได้ไห ไอ้โทรศัพท์ก็ไปรับโทรศัพท์ไปอารมณ์ก็เข้มข้นมากขึ้นแม้หม ว, วานนี้โกรธเป็นน้อยไม่พอใจเดี๋ยววันนี้ไปจัดการมันรู้เรื่องบางทีไปคุยมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น้าใจไม่มีเคยเป็นไหมคุยเมื่อ ว, วานมันลืมอีกประเด็นหนึ่งเดีย๋ยวอีกวันหนึ่งเดี๋ยวต่ออยรอบฉนะายอีกรอบแหมอีรอบแรกคนฟังก็มึนอยู่แล้วเจอรอบสองก็ไปมึนวันนี้มีรอบแถวอยู่บางที ไอ้บางทีบางคนเขานิ่งๆฟังมาไม่ใช่เขาไม่ได้เขาไม่ไม่ไม่คิดมาก่อนนึกยิ่งไปบางคนโกรธตอนหน้าพระได้แลยเนี่ยพระท่านก็นรู้ก็รู้ปล่อยเทที่แก็เขีนปล่อยนานพระท่านก็นรุณนาเออยอมอย่าไปคิดอย่างนั้นดิท่านมีรู้อะไรโอ้โหแต่นี้พระท่านไม่รู้แลวยุ่งเลยนี่ก็ขนาดท่านไม่รู้แล้วก็ยุ่งเลยใช่มแต่ดยีวยวยมรู้แล้วนี่บอกอ่ะเงินบาปก็ไอป ย, ยอมบ จริงๆพระ้ก็กระลุนนาว่าเอคือพิพัฒนนี่ยอมกําลังเดินในโทรศัพ์แล้วใช่ไหมพระก็ทำการเออขอเดาย้อนมันขอบินระบาดนี้อ ย, ย่าก็ไม่รู้ว่าเออพระขอให้หยุดให้หยุดคืออยากใช้โทรศัพท์เดินให้หยุดได้แล้วโทรศั์เพราะโทรศท์เนี่ยมันเผาตนเองแล้วมันเผาที่อยู่เนี่ยเขาสองยุทธธรมรมนล้วทำที่เกิดร่วมกับเขาด้วยเนี่ยโทรศัพท์อยู่กาลังเกิดขึ้นมาเนี่ย พอสัมยิสจะทําตัวอะไรโทราจิตมันเกิดขึ้นใช่ไหมไอ้สัมยิสจะทำคือเจอสิ่งที่ประกอบเผาเรียบร้อยหมดเลยโทรศัพท์เขาเผาเรียบร้อยแล้วยังเผาที่ตั้งด้วยค่ะทายวัตุหัวใจเต้นปุบปุบปุบปเลยเข้านี่เข้าหน้าตาไม่รู้เป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ก่อนก็สวยๆอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นหน้ายักษ์แล้วบอก อตอนที่เราไปเลือกไปดูใหม่ๆมันหน้าตาดีใช่ไหมพวกัน <c oughs> อ, อคนนี้หายไปไหนเพราะต้องถ่ายภาพเขาว่ต้องถ่ายภาพเขไว้ไปดูแล้วเราไปดูนี่ไงตอนคนเกิดต้องดูงามไม่ดูไห ม, ไมนี่โทรศัพท์ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ดูท่านบอกว่าพยาบาทมีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่หน้ภ า, ายในจิต พุทธคดแค่นี้ไม่เพียงพอแต่ความรำลวัางว่างใจเนี่ยจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราเข้าใจไม่ถึงต้องใช้การรำลึพยาบาทไม่มีอยู่นะภายในจิตก็รู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีอยู่นะภายในจิตพยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่ละได้แล้วละเด่แล้วมีละแบบแต่ทางก็้าบาหันก็มีนะ แบบวิคัมพระนภารก็มีนะแบบสมุเฉทพระหารก็มีนะเแบบนะนี่ยต้องดูด้วยพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยนี่พยาบาทจะเกิดขึ้นเพราะการทําไว้ในใจโดยไม่แยกคายนั้นหลักใหญ่คืออะไรดู้ไหย ม, มนโนตวานราชนะเนี่ยที่เป็นโยนิโสหรืออโยนิโสเนี่ยถ้าอ้ายโยนิโสเมนสิการเนี่ยถ้าไปคิดในสุภาพนิมิตมันก็เป็นปัจจัยในการมฉันทะ ถ้าไปคิดในปฏิฆานิมิตมากๆมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิฆาทาี่โทสะเอาสิไอ้ตัวโยนิโสเมตสิการเนี่ยถ้าถ้าไม่มีในยุ่งเลยมันเป็นเบื้องต้นของอุสลธรรมนี่คือจะเดินขึ้นสู่วิถีจิตเลยนะการที่จะเดินขึ้นสู่วิถีจิตเนี่ยถ้าผิดพลาดตรงนี้กับนยาวเลยด้วยนะอะไรจะตามมารืบาปบ า, บาปอกุศล ธ, ธรรมเวลามันก็จะตามมาลแล้วเดี๋นี้ไอ้โทสะเกิดเนี่ยบางทีเราไม่เห็นโทษใช่ไหม ต้องไปศึกษาอุปนิสยปัิจัยในแง่ของปัจจุบันิส ย, ป, ยปัิจัยที่อกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลเยอะๆหรือว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลเปนต้นเราจะได้เห็นว่าโอ้เนี่ยบางทีบาปอกุศลที่เคยเกิดขึ้นในหลายสังสารวัตที่ผ่านมานั่นแหละมันเป็นปัจจัยเราโกรธมายินทุกวันเนี่ยวัตถุบางชิ้นะเราไม่น่าโกรธก็โกรธอยู่นั่นใช่ไหมจ๊ทีนี้ ปฏิฆาในความขุนใจหรือความอารมณ์ที่ไม่พึ็นป่าตนาเนี่ยอารมณ์มันช่วยให้เกิดปฏิฆาพอดีนี่ชื่อว่าปฏิฆานิมิตการทําไว้ในใจโดยไม่แยกคลายอโยนิสมานาสการมีลักษณะประการเดียวในธรรมนักพวงพะโยค า, าวาจรขึนะ้นนักปฏิบัติที่นี้ยทําไว้ในใจโดยไม่แยกคลายเป็นไปมากๆในปฏิฆานิมิตพยาบาทก็ย่อมเกิดขึ้นด้เหตนนั้นพรุทธเจ้าประเสริฐดูพดพุทธพจน์เนาะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิฆะนิมิตมีอยู่ปฏิฆะนิมิตที่แปลว่านิมิตที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโทสะนี่เนี่ยคือปฏิฆะนิมิตเนี่ยเป็นรูปอารมณ์ได้ไหมได้นะเป็นสีก็ได้อาสีอะไรที่เป็นปเป็นปัจจัยทำให้เราโกรธง่ายที่สุดส <c oughs> <c oughs> ีแดง ไม่เข้าใจเลยสีพ้านี้แดงนี่ไ น, นอ๋อมีสีนี้เนาะนีนนยอมนั่งไกลสีแดงนั้นคือคือปฏิคานิมิตรเนี่ย น, ยนยะแสมว่าพุทธเจ้าบอกว่าการกระทาไว้ให้การกระทำให้มากซึ่ง ซึ่งอโยนิโสมนสิกาเนี่ยนะในปฏิฆานิมิตนี้เป็นอาหารเพือ่อ <Lew. S 2> ความเกิดขึ้นของพยาบาทที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อความเกิดขึ้นของพยาบาทที่เกิดเพื่อความไปบุญเนี่ยไปฏิฆาที่เกิดขึ้นแล้วโถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ถามว่าสีก็เป็นปฏิฆานิมิตก็ได้เป็นสุภานิมิตก็ได้ใช่ไหมทีนี้ เสียงก็ได้ไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวกลิ่นก็ได้รสก็ได้สัมผัสก็ได้เป็นปัจจยัยเกิดปฏิฆาบิมิตได้ที่มันเป็นปัจจยัยเกิดได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สีแดงสีดําสีขาวสีเหลืองมันไม่ใช่มันเกี่ยวกับตัวอโยนิโสมนสิการ์ของเรานเนี่ยแหละใช่ไหมบางทีเนี่ยทุกวันนี้เราคิดว่าปัจจัยข้างนอกนะไอ้ป ร, โโปราโตโพสัยเนี่ยปัจจัยข้างนอกเนี่ย ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดในเกิดความโลภหรือความโกรธหรือความหลงเป็นต้นเนี่ยเราไปเพ่งปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายใ น, นทีนี้เอาพระพุทธเจ้าปรโตโคสสาของพระพุทธเจ้านี่ดีไหมเป็นปัจจัยแก่สุพานิมิเรือเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆานิมิตหรือเป็นปัจจัยแก่แกแก่สถาย แต่เชื่อไหมว่าพระเทวทัพจะอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้เห็นไหได้ปฏิฆานิมิตในการเห็นพระพุทธเจ้าในการได้ฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วยังเดียร์ถีอีกเยอะพวกชีวกอีกเยอะอาชีวกอีกเยอะมากที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วอย่างเรเอามีดกรีดลงไปในดวงใจ ต, งตัวเองเลยนี่เขาะอะไรก็เพราะอายนุนิสมานิการนี่แหละการทําไว้ในใจโดยไม่แยกคลายนี่แหละใช่ไหม ตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าอูเนี่ยอโยนิสมนสิการนี้เองเป็นปัจจัยภายในเพรากัลยาณมิตรภายนอกสําคัญไม่สําคัญแต่กัลยาณมิตรภายในยิ่งสําคัญใหญ่ใช่ไหมถ้าหาว่ากัลยาณมิตรภายนอกมีหุยรอบตัวหมดเลยทั้งเสสีก็กัลยาณมิตรเสียงก็กัลยาณมิตรกลิ่นเอ้ยรสเอ้ยสัมผัสเอ้ย ทำมารมเป็นต้นเนยแม้กัญยาณมิตรลอบหมด้วทำสิ่งแวดล้อมไม่ดีหมดเสร็จแล้วแต่ลืมกัญยาณมิตรภายในขาโยนิโสมนฑสิการเดินเข้าหากุศลธระทเบื้องสูงไม่ได้เลยก็เลยจอดอยู่ตรงนั้นนะเข้าในเข้าก็เสียหายเลย น, ะนั้นตรงนี้ก็ต้อ ง, ต, องต้องมาทีนี้โยนิโสมนสิการเนี่ยนะภายในเนีต้องอาศัยอะไรอาศัยจากการฟังวัสดธรรมเพระวัสธรรมก็ต้องครบสัตว์บริวร่ิไม่สัตว์บริวก็อยู่ในถิ่นที่สมควร การอยู่ในสิ่งที่สมควรได้ก็ต้องมีปุเพกตะปุญญตาให้ปุเพกะตะปุญญาตามาจากอัตถสมมาวันี้ที่โอ้ตั้งตนไม่ชอบในอดีตนี้เองที่ไหมก็ได้ปุเพกะตะปุญญาตาปุเพกะตะปุญญาตาก็เป็นปัจจัยให้อยู่ในถิ่นที่สมควรการอยู่ในถิ่นที่สมควรก็จะเจอพระเจ้าและสาวกของพระเจ้าแล้วเราก็ได้ฟังพระธรรมการฟังพระธรรมก็เป็นปัจจัยให้ได้โยนยิโสมนัสิการที่ไหมก็คือสร้างภารตะโกศ ปัจใจได้ ป, ปัจโตโคสาปัจัยก็เป็นปั จ, จัยเพื่อจะเชื่อมโยงก็หาโยนิโสมณัสสิการก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรภายนอกก็คือปัจโตโคสานั่นแหละปัจจัยที่จะทําให้เกิดบุญใช่ไหมนี่ก็ต้องมีกัลยาณมิตรภายในอคือโยนิโสมณัสิการฉะนั้นโยนิโสมณสสิการนี่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเขียละไงที่บอกว่าเมตตาเจโตวิมุตติที่บอกว่า จะละได้โดยการใส่ใจโดยแยกคายในเมตตาเจโตวิมุตต์คำว่ายิบเมตตาเจโตวิมุตต์ก็เพราะว่าพูดกันถึงเมตตานี่นะย่อมควรทั้งอัปปนาสมาธิและก็อุปจารสมาธิสตรัสบอกว่าเมตตาเจโตวิมุตย่อมควรเฉพาะอัปปนาอย่างเดียวโยนิสโสมนัสการมีลักษณะลักษณะดังกล่าวแล้วเนี่ยเมื่อโยคาวจรยังทําการไว้ในใจโดยแยบคายนั้นให้เป็นไปมากๆในเมตตาเจโตวิมุตต้นั้น เธอย่อมละพยาบาทได้พระเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิกษรทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติมีอยู่นะการทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการในเมตตาเจโตวิมุตติอันนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดและเพื่อละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตัวนี้ก็มาพิจารณาดูนะว่าพยาบาทก็ดีปฏิฆะก็ดีความหงุดหงิดพุ่งสร้างเป็นต้นเหล่านี้แสดงว่าอัธยาศัยในการเจริญเมตตาน้อยเลยอันน้อยตรงไหนก็ยี่เมตตากายกรรมลราไม่ใช่ไหม เมตตาวาจีกรรมก็ น, น้อยอ่ะเมตตามโนกรรมม น, นี่น้อยอย่เล ย, ยทิ้งเพิจารณาเนยวิธีเจรนนิญเมตตาทํำยังไงอ่ะคือเราเวลาเราขัดเคืองในเรื่องใด น, นะสมมุติ่ะเมืเราเห็นหน้าคนนี้ที่ไรเราโกรธเทีาไวร่แต่เห็นหน้าได้ยินชื่อยังไม่ได้แล้วโกรธเคยเป็นไหมบางคนเลยนะแค่ได้ยินชื่อกันไม่เคยเห็นหน้าแลยแต่โกรธเลยเคยเป็นไหมเคยเป็นใช่ไหม เ, เราจะละอย่างไง กาวิธีล้วจะรักยิงแล้วเราเรียนม า, มากๆแล้วใช่ไหมเออเราก็ตามคําสอนพระพุทธเจ้าม า, มากๆทีเราจะละความด้วยถ้าเรายังประเภทที่ขนาดได้ยินชื่อก็ยังโกรธแล้วเนี่ยนะถามคิดว่าเราจะเดินก็หาพุทโธและทำได้ไหมอย่างนี้เป็นตัวกั้นอย่างแรงเลยนะตัวนี้อย่าลืมนะกั้นอย่างแรงเลยนะ เ, เราจะทํายังไงนะแสดงว่าตอนนี้อาการของเราอยู่ระดับไหนดีโคมา่าใช่ ยังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเเราจะละอย่างไงเราเสนอวิธีลวอย่าคิดถึงอย่าพยายามอย่าคิดถึงอย่างนั้นหรือเ่าหรือยังไงอ่ะมันต้องเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีอะเปิดทีวีปุบเห็นเลยถึงว่าเล้วจะทำไงนนี้เปิดบิดหนีเลยกุ่เปลี่ยนช่องเอาเปลี่ยนไปโฟยี่องแล้วดี บางคนก็บอกว่าผมไม่เอาเอาก้ อ, อนหินทุ่มตรทับ ม, มาแล้วกรดจัดไม่รู้จะทำยังไงก็หินทุ่มแล้วถูกไหมตอนนี้ไม่ถูกกะพังเลยเจริงๆไอ้กรณียหางการคิดแบบนี้ก็ผิดแล้วนะคิดผิดบ่งบอกให้เห็นว่าการศึกษาพระธรรมเอาไปใช้ไม่ได้ลตรงนี้เนาะต้องมา ค, าคร่ครแลนะ น, นการศึกษาพระธรรมนี้เอาไปใช้ไม่ได้คือยังไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้แล้วก็เอามาแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมทีนี้การจะเข้าถึงกุศลธรรมระดับสูงนี่เริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วไม่ต้องไปพูดถึงในเรื่องขั้นะในขณะโกรธเนี่ยกุศลศีลไม่เดินแล้วเนี่ยไม่ใช่ขั้นสมาธิอะไรเลยเนะขั้นกุศลศีลเรานี่แหละเพราะว่าสังเกตไปในข้อแรกนั้นฟันอธิบามีอธินาธารมป็นต้นเห่านี้เนี่ยกุศลศีลพวกนี้ไม่เดิน เยที่ไม่เดินเนี่ยเพราะว่าคนที่จะทำปานาดิบาตหรือล่วงละเมิดเป็นต้นได้เนี่ยมันมาจากโทสะจิตุบาทพี่ก่อนเนาะอันโทสะจิตุบาทเวลามันเกิดเข้าสู่กระแสขันของท่านบุญใดเนี่ยมันก็จะเริ่มพุทวาว่าออกมาใหม่ๆ ม, มันก็เริ่มจะโกรธคุณเพลิงนักเข้ามันก็จะเริ่มออกมาจากคาพูดหนักเข้ากวิภาควิจารที่มันเริ่มแล้วใช่ไหมไอ้ที่แรกจริงๆอ่ะเมตตามโนกรรมมันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นปัญาบาท พอพยาบาทเกิดขึ้นมาไม่ใช่อยู่แค่มนโนุกรรมแล้วแต่เนี้ไม่ใช่แค่พยาบาทแล้วน่ะเข้าก็าพยาบาทร่วงระเบิดออกมาทํำวาจาทั้งกายกรรมก็ยกมือยกไม้ไปหมดเลยนี้กายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริต ก, ก็จะเดินตลอดนี่ผิดแล้วทีนี้พอผิดแล้วถามว่าเ อ, อ้อจะจ ะ, จะเราจะคิดยังไงวิธีนั่นก็คือว่าการไถ่ควรต้องนั้นกลับมาไถ่ควรนะทำโยนิโสมนสิการคือ โดยสรุปก็คือว่าตอนเนี้เราขาดการให้อาหารของโยนิโสมนัสิการ์เขาถ้องบอกว่าอาหารของโยนิโสมนัสิการก็หนึ่งการเรียนในนิมิตอารมณ์แห่งเมตตานะก็คือเรียนนิมิตเกีย่ยวกับเรื่องของเรียนเรื่องเมตตาต้องมาศึกษาเรื่องเมตตาให้มากเลยแล้วต้องศึกษาเรื่องเมตตาในการประเดิษการที่เราจะเ จ, เจเริญเมตตาให้จิตที่เป็นไปกับเมตตาอย่างไรใช่ไหม จริงๆแล้วก็เรียนกันมานะ่ยสัพเพสัตตาสาตาัสาตาทั้งหลายที่เป็นเพืเพ่อนทุกท่องมันมาแล้วไม่มีที่นั่งนั่งอยูอ่ไม่มีใครท่องไม่ได้มีเลยใช่ไหมบอกว่าขอให้เข้าไปเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดขอให้เข้าไปเจ้าจะได้มีเวรต่อกันแลกการเลยให้เข้าไเจ้าจะได้มีจิตาาาคาิดกายบาดอาฆาตทรวงร้ายเดียดเยียนอทุกข้องมากท่องตงนี้แล้วท่อง ขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจะได้มีเวรแดีกันขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจะได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตวังร้ายคนขอให้ศัตรูของข้าพเจ้าให้ด้วยนะไม่ใช่ไม่ให้ในในบทเมตตาเนี่ยขอให้ศัตรูข้าพเจ้าเนี่ยจะได้มีเวรต่อกันและกันเลยขอให้ศัตรูของข้าพเจ้าจะได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตวังร้ายนเลยขอให้ศัตรูของข้าพเจ้าจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย ปากท่องไปแล้วแต่ในใจมันเลยจะตายจะทีมองเห็นไหมว่าอ๊ ه, มันเดินได้หมดเลยเหไหมว่าสาธยายเนี่ยแต่ใจไม่ยอมไปให้ทําเอาวิธีแก้ทำไงเพวกการทำไง <c oughs> <c oughs> คือคือคือตรงเนี้เวลาถ้าเราเราเรารู้ใช่ไหมว่า อ, อโทรศพัพท์รุนแรงตรงนี้จริงๆนะเดี๋ยวอาจจะมาเล่าเรื่องครับพักพาท่านก็เวลาใช้นี่สกเริ่มโกรธเนี่ยไม่พอใะ แค่ไม okay 네่พอใจเล่นก็เล่นใหญ่แล้วเล่นก็แก้ก็แก้ต้อมก็เด็กนะในข้อในข้อพระว่าอิี่จะทำยังไงมานั่งคุยอิ๋นจะทํายังไงจะลงโทษเน้นแบบไม่โกรธทำไงใช่ไหมจะลงโทษแบบไม่โกรธที่จริงวิธีวิธีก็บอกแล้วแต่จริงๆคือเวลาประเทที่ โทรศัมันเกิดเนี่ยจริงๆมันประทุสร้ายตัวจริงใช่มมันต้องนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกในอุบายอย่างการรัโทรศัพท์มีมากมายเลยใช่หมหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือว่าการที่เราประกาศตนเองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระบรมศาสดาเป็นของพระพุทธเจ้าก็ดี ว่าการที่เรามานั่งโกรธ อ, อย่างนี้มันไม่สมควรเลยเนี่ยมันก็ต้องม า, ม, า, ม, ามั่งพิจนะที่จริงอะ่ะถ้าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคบางทีท่านแป ล, แปลนนเนี่ยแปลน่าน้าคิดเนี่ยราะว่าเจ้าบุรุษขี้โกรธเอ้ยว่ใช้สำนวนนี้เลยนะถ้าเราเป็นสตรีว่าไหมหเจ้าสตรีนะเจ้าบุรุษขี้โกรธเอ้อยเนี่ยนะใช่ไหมเขาบอกพูด ตัวของท่านเองตัวของเธอเองตัวของเจ้าเองเนี่ยปรารถนาหุ่นสูงมากกัโลกุตละธรรมเนี่ยแต่เจ้าพอนั่งเป็นคนขี้โกรธอย่างนี้อว่ามั้งนะมันไม่สมควรเลยที่มาตนเองจะบอก <c oughs> คือนั้นอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือท่านไปเข้าที่สังเกต ด, ดูก็คือว่าท่านดูมาเหมือนอีเหมือนอุจละไอความโกรธเนี่ยถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งกําลังเอามือป้ายอุจละแล้วก็้ามารูปหน้าตัวเอง ใะเราก็ โ, โหยดโกรธมากกับป้ายเขาเลยแล้วก็มารวมหน้าเราอย่างนี้เอาเงี้ยท่านถึงบอกว่าคนที่โกรธก่อนเนี่ยนะกับคนที่โกรธหลังเนี่ยไอ้คนที่โกรธหลังเนี่ยหน้าตับหน้าถูกตำหนิกว่าคนที่โกรธก่อนเพราะคนที่โกรธก่อนนะเนี่ยเขาทําปฏิ ก, กิริยาที่ไม่งามให้เราเห็นอยู่แล้ว ก็เหมือนกับคนที่เขาเอาอุจจาระมารูปหน้าตัวเองหรือมาเทล่าโดยเองวันก่อนก็ไปเอาของไปให้ไปให้กับคนพิการทางสมองที่เป็นเด็กพิยาอ่อนเรียนเ ย, นยอะไปหมดในสุพรรณ<อ>ก็เป็นโรงเรียนก็ไปให้เขาทีนี้หนึ่งบางทีผ้าหลุดเขาก็นุ่งไม่ได้เยอะบางคนก็ถ่ายอุจจละออกมาไปเสร็จ พอถ่ายเสร็จเข้ามือไปกรอบมาก็มารูปหน้าโดยเองเล่นรูปหน้าโดยเองเล่นก็เห็นเออมันนึกถึงไอ้ข้ออุปมาไอ้ตรงสารอู้จริงๆถ้าเราเห็นเขาทาอย่างนั้นเราก็ไปทําด้วยเอาไปรูปหน้าเราอันนี้ไม่ควรเลยใช่ไหมเพราะโทรศัมันไม่ดีแล้วก็ให้ผลเป็นทุกข์แล้วก็นําสู่อบอายภูมิแล้วก็ยินดีดีแล้วในกรณีถ้าหากว่าเราไปเห็นคนที่เขาไปเพิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรต่างๆแล้วควรจะกระลุนนาเขาไปโกรธเลยั้ มันเป็นวัตถุที่คนรกรุณาอย่างยิ่งเหรอถ้าไหมแต่เรากลับไปโกรธเขาเนี่ยเรามม น, นสิการผิดเนี่นอนเนี่ยใช่ผิดแล้วไม่ผิดธรรมดาแล้วผิดก็เป็นโทษกับเราด้วยนะแท้จริงเราควรจะ ก, กรุณาเขาว่าโทษของการที่เขาไม่รู้ปราธรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เขามาตะโกนด่ากันให้รันอยู่สมัเนี้นั่นนี่ยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ย คนไม่รู้ประธรรมคำสอนในต่างๆทั้งกายกรรมกับทุจริตวัจีกรรมกับทุจริตมโนกรรมกับทุจริตแล้วเขากําลังประพฤติบาปอกุศลและทําันราโมกอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดใช่ไหมมันสึกชิงกรรมแล้วก็เห็นอยู่ถ้าเราไปอ่านในมหาทุกขขันธสูตรจุฬาทุกขันธกสูตรเราไปดูแล้วก็รู้ว่าสึกชิงกรรมกันนั้นน่ะแล้วก็เห็นโอ้โหเนี่ยมันมาตลอดใช่ไหมว่าคําว่าอาณาจักกับพุทธจักรเนี่ยมัต่างกันยังไงก็บธรรมจักรมาตางกันอาณาจักรันเป็นเรื่องของอํานาจ มีเรื่องของาำนาจแต่ถ้าทํามาจับเนี่ยมันเป็นเรื่องของกงร้อยหินถมอยู่ไหมถ้ากงร้อยหินถมก็หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหมุนไปนะถึงกระแสจิตของท่านผู้ใดแล้วท่านผู้นั้นก็จะไม่ร่วงละเมิดทางกายกรรมทงางวิญญกรรมทงางมโนกรรมเป็นเรืเหล่านี้แต่ถ้าลองอาณาจาักรมันแผ่ไว้นะที่ไหนเดี๋ยวมันก็ลาวข้าวไปที่นั้นแล้วก็มาพิจารณาดูฉะนั้นตรงนี้เขาบอกการเรียนนิมิตอารมณ์ กรรมาฐานก็คือเรียนเกี่ยวในเรื่องของเมตตาแล้วก็ฝึกในการที่จะแผ่ประกอบึงเนืองซึ่งเมตตาภาวนาอะไอย่ีงเงี้ยพอหลังจากศึกษาเรื่องนิมิตของเมตตาเส็เสร็จสรุปก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนิมิตใช่ไหมเป็นนิมิตเป็นอารมณะปะจัจจัยอย่างเมตตาได้ทุกขันเลยนี่เรื่องเป็นแล้วแต่เนี้ยฉะนั้นเลือกขันทุกขันนี่ไม่มีที่เลือกเลยเนะว่า เว้งขันนี้ก็เหมือนคนจีนก็าจะเลิเขามาเรียนกรรมฐานเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าขันอื่นหรือ บ, บุคคลอื่นนี่บุคคลอื่นเนี่ยแพ่เมตตาเวน้นแต่คนเลยไหมบุคคลนี้ไม่ได้เพราะเมตตาไปไม่ได้เลยบอกโกรธทุกทีประมาณนี้ดูแบบแผ่เมตตาคนอื่นได้แต่คนนี้ไม่ได้เต่๋ยวก็โกรธอีกคนเนีึงเขาโกรธมากเขแผ่เมตตาให้ไม่ได้เขาบ่าเขาเขาบอกออทำไมถึงโกรธเขาโกงก็มาตั้งแต่เด็กจนเขาจมทุกวันนี้เขาบอกวนนี้นะ่ะโกงกขา เขาเลยเขโกรธเลยก็คนอื่นแผ่เมตตาให้ได so, so ้หมดแต่คนที mm ่ผมไม่ได้ท่นก็มาอยู่วันที่อยู่แล้วจะมาจะมาฝึกแน่นพยายามฝึกออกแสดงว่าเมตตามีตัวเองน้อยไปเอากลับมาแผ่เมตตาตัวเองเยอะๆเพอาะแผ่เยอะเอากลับไปมองใหม่ที่ยันไม่ได้ดูตัวเองไปเรื่อยๆแผ่ให้กับบุคคลอื่นจนเกิดความเป็นอัตยาศัยค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วเอากลับไปดูใหม่ตัวนี้ได้แล้วแต่กินเขาออู้สบายมาก แตนะ่เขาเนี่ยเขาอู้น่ากรุณาเขาหน้าเมตตาเขาเนี่ยนะเขาเป็นสัตว์ ร, ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเขาพยายามจะกระทําในสิ่งที่เขาเข้าใจว่าถูกว่าต้องนะคนเราเนี่ยเพราะจิตของเขามันโกงเขาก็ไม่รู้เขาไม่ได้ขัดเราใช่ไหมเขาก็คิดในสิ่งที่มันผิดพลาดในสังสารวัตรที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้ในอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้ สัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วเราทำไมไปคิดแย้งต่อสัตว์โลกอย่างนี้ลราความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนคนได้ที่ไหนไม่ได้หรอกตราบใดเข้ามาศึกษาพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจะเปลี่ยนแปลงบุคคลเหล่านี้ได้เขาก็พิจารณาในลักษณะอ๋อแล้วทันวันนี้เคยเป็นพ่อเราไหมเนี่ยอารมณ์อะไรตรงนี้ประใจัหมอ้าวเราทําไมไปเกิดไปโกรธพ่อผู้มันเกิดเกล้าแล้วถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่มีเลย ถ้าเขาเคยเป็นแม่เราเนี่ยเราไปอยู่ในท้ององท่านผู้นี้มาเก้าเดือน เ, อเคยคิดถึงขนาดนี้นะอยู่ในเก้าเดือนทันนุทนันอมเราหูยเลือดเกิดอยู่ในอกเลยนี่เคยดูแลเราเคยประคับประง ม, มเราเคยเลี้ยงดูเราตั้งแต่เด็กจนโตเคยส่งเราเรียนเคยดูแลเราประคับประงมเราอย่างนี้โอ้เราทำไมถึงโกรธอดีตพ่อเราพวางจิตนี้ดังถ้าวางได้เนี่ยไม่โกรธใช่ไหม เอ่เราศึกษาพระธรรมเราต้องมองให้เห็นอย่างนั้นให้ได้ว่าเป็นเพื่อนเกลีดแก่เจ็บตายจริงๆนะไม่ใช่โดยศักดิ์แต่ว่าพูดนะมันเออจริงๆเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าพ่อจะเข้าใจผิดก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมไมันไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเข้าใจผิดแบบนี้มานานแล้วทั้งสารวัตรมันเป็นอย่างนี้แหละนั้นถ้าเราจะบันเป็นบรารมีในการที่จะเจริญทานบรารมีศีลบรารมีเนี่ยขมารบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติสัจจะอธิฐานนะเมตตาเราเสียแล้วเมตตาบารมีเราจะเสียไม่ได้ใช่ไหมแท้ที่จริงบุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นอาหารของเมตตาให้ได้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นอาหารของโทสัตเริ่มคิดแล้วเออนักเข้าหนาเข้าแล้วก็เริ่มไข้ควรบอกเขาว่าก็เออทาได้สแสดงว่าเราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะการจเจริญกุศล ถ้าย oh. oh, ังโอ้โหบันอย่างนี้ยังยังไม่ชัดเลยพอจะคิดได้ไหมพอได้เนี่ยฉะนั้นการพิจารณาถึงความวิสัตถมีกรรมเป็นของของตนใช่ไห้ตรงนี้ยิ่งชัดใหพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยกรรมดาให้วิบากดํากรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดําและขาวให้วิบากทั้งดําและขาวใช่ไหม กรรมไม่ดำไม่ขาวให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปด้วยความสิ้นกรรมเราไปดูดีในกุศลกรรมกรรมดำก็อกุศลกรรมกรรมขาวคือกุศลกรรมกรรมดำและขาวคือทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมสัตว์โลกในที่นี้มาเป็นประเทศอย่างนี้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมก็เกือบลัวกันอยู่เนี่ยนะในทั้งสารวัตรก็จะเป็นไปอย่างนี้เราก็เราเราถ้าเราจะเจริญเมตตาบารมีเนี่ยไม่ได้ถ้าเขาถ้าเขามาขอ ความช่วยเหลือถ้าเราช่วยได้แล้วก็ทงน้องช่วยตามสถานะก็แค่นั้นแต่ในขณะเดียวกันเราต้องฝึกในการที่จะเจริญเมตตาคือบคุคคลเหล่านี้ต้องไม่ติดข้องต้องไม่เป็นปฏิไม่เป็นอุปสรรคแก่การเจริญกุศลถ้าอย่างนั้นหอ้ลำบาเล ย, ยไม่ใช่เขาเสียหายในเราเสียเสียหมดเลยคิดไปมันติดขัด พอติดขาดเราศีลกุศลไม่เดินแล้วถึงใช่ไหมในชีวิตจริงด้วยนะศีลกุศลไม่เดินเราคิดที่ไรมันขัดเคืองตลอดเวลาเพราขัดเคืองตลอดเวลาการเรียนพระธรรมการฟังก็ทำนี่คือภาวนากุศลนะถ้าหากว่าระดับศีลกุศลไม่เดินเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วจานความคิดเสียแล้วต้องกลับไปไข่ครวรไปพิจารณาพิจารณาใหม่จริงๆก็คือเนี่ยที่เราเห็นหน้ากันก็ซ้ําๆกันไปซ้ําๆกันมาก็คือว่าญาติกันทั้งนั้น ไม่มีอะไรเลยเป็นญาติกันนั้นนถ้ามันนั้นไม่เกี่ยวข้องมาเห็นกันหรอกก็คือญาติญาติกันนี่แหละที่สะเลาะเบาออแวงกันอยู่ก็คือไม่มีใครญาติยิงคนในประเทศเดียวกันได้แล้วไม่มีอะไรเลยก็ไม่ต้องอะไรนะอาตมาไปเจอเด็กเด็กสองคนเด็กเล็กๆ เ, เขาไปฝากไว้เป็นเด็กภาคดูแลก็เป็นเรื่องแปลกแต่ก่อนอาตมาก็ไม่รู้ ทีอีคนหนึ่งก็ชอบฝ่ายหนึ่งอีคนนึงก็ชอบฝ่ายเด็กเขาทะเลาะกันอาตมาต้องอาตมาอุดข่อมที่แรกข่อไอ้เด็กมันึกอีทีเออไม่น่าข่อะไม่น่าข่อมนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยอาตมาก็เออต้องต้องต้องพยายามแนะนาฝึกเขาอะไรเขาในข้าในข้าวให้เขาฝึกแผเมีตาฝึกกรเลงตาอ๋อแต่นี้เขาเป็นเขากลับไปเขาไปบอกพ่อแม่ พ่อแม่ก็ถามมาอู๋ลูกเขาคิดได้ดีกว่าเขาอีกเขาบอกเขามปนั่งทุกมาหลายเดือนหลายปียยยโ อ, โอ้นี่เด็กสอนเขาได้เพราะทีเด็กเนี่ยเขาถูกปันเนี่ยถูกให้มองมมาให้ดูให้อะไรนีแล้วเขาเข้าเขาก็ตายเลยวิธีคิดก็ผิดไปแล้วนี่มาเออผิดไปอยู่กับมาเดือนท้สองคนเลยนีนที่ไหก็จะร้องเสียงกันอยู่เลยนะมาอ๋อทเขาจะเลยเ น, น, นี่ยายไ่เก็นี่ก็เขา เขาไม่รู้ผิดถูกเนะี่ยเขาคิดนม่ถูกแล้วก็ไม่มนะเนี่ยอย่าแปลกใจแล้วผู้ใหญ่ก็คิดแบบนี้ก็ต้องเยอะใช่ไหมก็เป็นความเป็นผู้มีกัลยาณ์เนี่ยคือว่าความพิจารณาทุกงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนคำว่ามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยบางทีเราเรามาพิจารณาว่ามีกรรมเป็นของของตนในขณะเดียวกนที่บอกว่ากรรมสกตาสมาธิถี่เนี่ยต้องชัดตรงนี้เนี่ย เพราะว่าในขณะที่เรากําลังนั่งกันอยู่อย่างนี้แปลว่ามานั่งทํากรรมใช่ไหมนั่งทํากรรมนนเนี้ยเนี่ยแต่กรรมอย่างนี้เขาเรียกเป็นกรรมที่เป็นวิวัตคาลีในการที่เราเจริญกุศลเนี่ยที่เป็นปัจจัยก็ฟังพระธรรมเนี่ยเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเข้าถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและอัธยาสายที่ตั้งเขาไว้เนี่ยเพื่อเป็นปัจจัยเกิความพ้นคุกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาในกุศลกรรมประเภทเนี้ระดับภาวนากุศลเนี่ย ทีนี้ภาวนากุศลเนี่ยที่มันไปไม่รอดก็เพราะมันตั้งอยู่บนฐานวิธีคิดอย่างเนี้ยวิธีคิดที่ว่ากรรมสักตาที่ไม่ชัดเนี่ยเพราะกรรมสักตานี่ไม่ชัดใช่ไหมว่าการพิจารณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นต้นเนี่ยเพราะว่าเออถ้าเรารู้นี่นะว่าถ้ากรรมสักตาสมาธิถี่ดีเนี่ยถ้าเราเห็นคนกําลังทําอกุศลกรรมเนี่ยเราต้องกรุณาเขาถ้าเห็นคนเขากําลังทํากุศลกรรมถ้าเราเข้าใจจริงนะ อันนี้มันควรนะแกการอนุโมทนาเขาแล้วถ้าเห็นเขากําลังรับผลของอภิสวรกรรมเนี่ยก็ควรหงหงิดเขาเหมือนกันใช่ไหมคนกระลุนนายเหมือนกันเขากำลังรับผลบาปอยู่หรือกําลังรับผลบุญอยู่อันนี้ก็ควรจะน่าชื่นใจและในขณะเดียว ก, กันก็ต้องไม่ประมาทหันมาดูกระแสะขันของตนเองด้วยเพราะตอนนี้กําลังทำอภิสวรกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจอยู่ไหมหรือว่าทําอกุสวรกรรม และในขณะเดียวกันหรือกําลังรับผลของบุญหรือของบาปต้นต้นอยู่ไหมเนี่ยก็ลองพิจารณาเนี่ยนี่มันเป็นชีวิตจริงที่ทควรจะคิดเน่ยในแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยเราเห็นคนเดินคนยืนคนนั่งคนนอนเราเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือในขณะเดียวกันแล้วก็กําลังพูดเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเออที่จิตที่เป็นไปกับการพูดหรือกํากับการพูดอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นไปกับบุญหรือบาปใช่ไหมคำเดียวกันเนี่ยแต่บางคนปลาล บ, บุญก่อนแล้วพูด แต่บางคนปลาลบาร์บเรือพูดอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้คนเนี่ยห น, นูไปเอาแก้วไปตักน้ํามาให้หน่อยคาเดียวเนี่ยกับเอช่วยเอาน้ำเอช่วยเอาแก้วไปตักน้ามาให้หน่อยแค่เล็กๆออย่างเงี้ยนะคําพูดแค่นี้ยบางคนพูดด้วยโลภะเนี้ยแค่เนี้ยบางคนพูดด้วยโทสะเออเมันไหลจะมาสักทีมันไหล จ, จะไปนี่ก็ปารบืไปเสร็จไวๆรีบไปตักมาให้หน่อยแค่นี้ย แค่นี้มันเป็นใบกระบาศทันทีนะในรายละเอียดตรงนี้บางทีเราก็ขาดการเก็บหมนเลยใช่ไหมแปลว่ากุศลของเราเริ่มจะไม่ค่อยค่อยเดินเลยแต่ถ้าว่าพิจารณ า, านี้ถามว่าอีจะทําให้ชีวิตเราช้าลงไหมช้าไหมมันจะดูเหมือนเก่งๆก่า ง, เงๆเดินใหม่ๆน้เข้าหน้าเข้ า, า, ามันจะเป็นอัตย า, ายัยเป็นอัตยาใสาในกรณีที่เออเริ่มคิดเป็นเริ่มไข้ควรเป็น เห็นบุคคลอื่นเริ่มดูจะไม่ก็น้อมสู่กระแสขันของตนเองถ้าสังเกตดูทีพระในสมัยครั้งวธกาัรเนี่ยเวลาเห็นบุคคลอื่นเขายืนเดินนั่งนอนก็ดีเห็นเขายิ้มเป็นต้นก็ดีก็ยังน้อมเข้าสู่กระแสขันเขาตนเองแล้วใคร่คนแล้วก็รูุ้ดานี่เป็นต้นอันนี้ก็เกิดจากการพิจารณาอันนี้เขาเรียกว่ากรรมสกตาสมาธิถี่ชัดเป็นผู้มากไปด้วยการพิจารณาเนี่ยไอตรงนี้สําคัญ คนที่เขาสามารถเจรจาพยาบาทวิตกเป็นต้นได้เนี่ยก็พิจารณาเยอะเขาไข้ครวญเยอะก็อย่างว่าพิจารณากรณีที่เราจะกโกรธใครสักคนใดคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาถึงความเสียาหายที่เกิดขึ้นจากความโกรธที่มันไหลเข้ามาแ ล, แล้วก็ในที่สุดจริงๆแล้วก็มาพิจารณาตามคำสอนของพระเจ้าเยอะแยะหมดที่ท่านยกตัวอย่างมาอย่างว่าเยกตัวอย่างเช่น กรณีที่พระเจ้าถูกประทุษร้ายยังไงแล้วพระองค์ก็ไม่โกรธเป็นต้นในการเจริญในสุวรรณสามชาดถ้าเราอ่านชาดดกทั้งหลายเนี่ยนะเนี่ยเราพิจารณาดูเราจะเห็นว่าทำไมต้ทนได้ยังไงบางทีเกิดเป็นสัตว์ดิบฉาดได้ซ้ำไปทั้งขันติทั้งอดทนทั้งเมตตาเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นไพระยาวานเน้อยในการกรนี้ที่จะช่วยลิงลิงทงโมนตัวนี้กระโดดขึ้นไป ส, งสูงๆกระโดดเหยียบหลังท่านกระโดดแล้วขยวับเต็มที่เล่นลกระ ด, ดูกสันหลังเคลื่อนเลยเนี่ย เราไปคิดโดยหรือบางทีเป็นฤาษีเนี้ยเป็นลิงขึ้นไปบนนั้นแล้วก็ต้องตัดสาวะแล้วถ่ายอุจจาระรดเนี้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยต้อมาพิจารณาดูว่าท่านดินสัตว์ราจฉานยังทนได้ต้องมาพิจารณาเนี่ออนนาานยหรือรในกรณีที่นายพานใช่ไหมที่ยิงเองเนี้ยเขาบ่าเพียงแค่จะขออ ง, งา่าท่านก็บอกออจะขอดีๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องบัตรทสรายท่านวใจัยท่านใช่ไหม น่าจะตัดให้แล้วก็ก็จริงๆเนี่ยเราต้องการจะให้อย่ในลักษณะอย่างเนี้ยเราโอพิจารณาดูเ อ, อมีบางทีเขาไม่ได้มาทําอะไรเราเรื่ลยแต่เรายังไปโกรธเขาขนาดนั้นไหนเราจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าหรือจะตามตามตา ม, ตามรอยของพระเวาทวทัศส์ก็มัยไม่เปนดั่งช่นใช่ไหมพอพิจารณาอย่างนี้มันก็จะข่าวเป็นต้ก็ขบกัญยาในนี้แล้วก็สนทนาที่เป็นสภาเยสทธาเป็นตอันนี้คือกลุ่มในด้านของพยาบาท น, นี้ก็เล่า เล่าเล่าส okay. ืิอเอ้มีอะไรจะถามมั้มีเดี๋ยวไม่มีจะได้เข้าเรื่องมีไหมมีอะไรถามไม่มีนะก็ ตรงนี้ก็คือมาดูในชั้นของในเสขับปฏิปทาสูตรนในพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ท่านบ้านนลคือพระพุทธเจ้าไปประทับอย่างที่ได้กล่าวที่สันตานคารแล้วเนี่ยไปดูสันตาคารแล้วก็ไปตรวจ ด, ดูไปเสร็จแวเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปประทับแล้วก็ไปแสดงธรรมแล้วก็พวกชาวกระบิลพัชท่านก็ตกแต่ง ขาธนียโคชนียะเป็นเท่านี้มาถวายพระพุทธเจ้าเขาบอกเจ้าสักยะก็กราบถือว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้เอพระพเจ้าทรงทราบเวลาอันควรเป็น เ, เหล่านี้ดังที่วันนี้มนพรพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ออกจากเขาบอกรัศมีนั่นแผ่ออกจากพระกายของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งว่ากลุ่มสายฟ้าลอดจากช่องมีทําให้พฤกษาชาติในอารามเป็นหนึ่งใบดอก นั่นจะออกมาเกิดความงดงามด้วยพลายน้ำอันดาไ ด, าดา้ภิกษุสองหมูใหญ่ก็ถือบาทและที่วเนี่ยแวดล้อมไปด้วยพระเปนภิกษุสองเหล่านันะ้นพุทธเจ้าก็เสด็จแลดูภิกษุทั้งหลายที่ยืนร้อมพระพุทธเจ้านั้นมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็คือเป็นผู้มักน้อยก็นะพระในสมัยก่อนมักน้อยสันโดษชอบสงาัาไม่คลุกคลีได้หมู่ปลารบความเทียนเป็นผู้บอกสอนอดทนต่อคําถ้อยคําชอบ ตั ก, เ, กตเตือนติเตียนความชั่วถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาถึงพร้อมด้วยปัญญาและก็วิมุตติและก็วิมุตติญาณทัทสนะพระพุทธเจ้าอันภิกษุสงฆ์เหล่านั้นแวดลอ้อมแล้วก็สง่างามประดุจแท่งทองที่ล้อมไปด้วยผ้ากำโพงสีแดงโมพิจารณาภาในสมัยครั้งพุทธกาลในเวลาพระพุทธเจ้าไปที่ไหนความงามเป็นอย่างนั้นนลยนะขึ้นงดงามมากเชื่อไหมนะเอกจักขูวิญ ญ, ญาณของเราก็ดีโสต่วิญญาณเป็นต้นมโนวิญญาณของเราเป็นต้นไม่ได้มีการไข้คน คือหนึ่งจากปูวิญญาณเนะี่ยในทั้งจากปูทวารและวิถีก็ไม่ได้เห็นพระรูกของพระพุทธเจ้าไม่เห็นความงดงามของพระพุทธเจ้าไม่เห็นความงดงามของเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่เคียบพร้องไปได้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณในทัศนคุณซื่งไม่เห็นคุณของท่านเหล่านั้น อ, นะอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นชัดว่าส่วนของเรามันน้อยยิ่งทีเวลาเรา พิจารณาอย่างนี้แต่ยังดีนะโอกาสเรายัางทัองโศกตถาวานนวิถีของเราใช่ไหมแล้วก็ยังน้อมยังฟังแล้วก็มโนทวารนาวิถีก็เกิดอธิตักสมุห์อาาัตถะขั้นนวิถีเป็นตัวเหล่านี้ก็เกิดสอสามารถที่จะประมวลและลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านอยู่กันยังไงที่ท่านบอกเออพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มากน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คุกมคลีด้วมีมง ปาราลบความเพียนแล้วก็เป็นผู้บอกสอนอยู่ที่ไหนทั้งก็บอกสอนเนี่ยสินขันสมาธิขันปัญญาขันอันเบเสริดแล้วอดทนต่ อ, อ, อนนชอบอีกคำนหมชอบชอบเตือนตนด้วย ต, ติเตียนความชั่วแล้วก็มาพิจารณาดูโอ้โหเราเป็นอย่างนั้นไหมเราชอบเตือนตนเองไหมชอบเตือนไหมแล้วก็ติเตียนความชั่วไหมติเตียนบาป อ, อกุศลธรรมไหมใช่ไหมว่าจริงๆต้องสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายใช่ไหม เป็นโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยก็มีภัยมากจะเป็นพระเององาบัตทุกพาสิต ท, ทุกกฎเนี่ยเห็นโทษเท่ากับภูเขาสิเองรู้ท่านว่าไหมเหนขนาดท่า น, นโอ้ยเป็นโทษมากท่านเกลียดเหมือนพระนะบางทีพระบางองค์มาเล่าอะไรจะมาฟังผู้อาจารย์บางทีว่าแค่นั่งปัสสวาวะเนี่ยยังเกิดปีติเลยท่านคิดยังไงอะมาบัดนี้คิดถึงว่าเออแต่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนไว้ ว่าการปฏิบัติในกุศลศีลขันคือศีลขันอันประเสริฐเมือมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเกิดปีติขึ้นมาเอาเออบอกว่าศีลของเราไม่ขาดเนาะศีลของเราไม่ด่างศีลของเราไม่พร้อยใช่ไหมเป็นบุญของเราเป็นราภของเราแล้วเนาะศีลของเราบริสุทธิ์เนาะไม่คิดอย่างนี้ยะนั้นถ้าเรามาพิจารณาดูดีเราก็มาพิจารณาดูว่ากุศลศีลของเราเนี่ยนะ บอกว่าเออเนี่ยเป็นลาภของเราลี้ย่างเราได้ดีลี้ย่างกุศลกุศศีลเนี่ยบริสุทธิ์เราได้ทําตามพระธรรมคาสอนของพระเจ้าแล้วท่านคิดแค่นีน้นนฟ้าโมดก็เกิดปีจีก็เกิดได้ฉะนั้นกุศลศีลก็ข้อสามารถเป็นอร า, ม า, ารมณปัจจัยแก่กุศลแก่กุศลได้แก่กุศลจิตได้ฉะนั้นตัวศีลทั้งหลายยิ่งมากยิ่งดีตรงเนี้ยไม่ได้เป็นพาร่ากับท่านเลยนะแต่กลับกลายเป็นเกราะแก้เราป้องกันภัยให้กับท่านนัน เราไปมาพิจารณาดูอุโสราศีนี่ประเสริฐอย่างนี้ก็มาพิจารณาอยู่นะฉะนั้นเวลาท่านเดินเวลาท่านฟังปฏิโมกข์นี่เนี่ยพระท่านก็สวยสุนทรภู่เมยวันเต้สังโขไปตัวไหนสวดไปตามลำดับเนี่ยท่านก็จงกระแสจิตไปตามแล้วก็ไข้ควรนะเริ่มตั้งแต่พระราชิกสีสัมภาที่สี่สิบสามอินยศสนิสกิยาปายติสาสิบปายตีเกสิบสองปายตีเสนียะสี่เคสเซคียะวัดเจ็ดสิห้าท่านไล่ไปตามลำดับ พอเสร็จพอจบแต่ละครั้งเนี่ยท่านก็โอ้ยเบลึกทุกครั้งเลยไหมว่าโอ้ยเราได้ดีแล้วเนะาะเป็นลาภของเราและเนาะเนี่ยกุศลศีลของเราข้อนี้เบสเราจับนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติอย่างนี้จะสมาทานศึกษาว่าเป็นปัจจัยในการแทงตลอดอริยสั์ท่านก็ตั้งอัธยาศาัยขท่านตลอดใช่ไหมเมื่อกลับกลายเป็นความดีงามของท่านอริยทรัพย์ท่านเยอะใช่ไหม พ่อริยทรัพย์เยอะเนี่ยท่านไข้ ค, ควรวญอริยทรัพย์ของท่านอย่างรุนแรงเลยก็ปีติปรามโมทต์ก็เกิดง่ายใช่ไหมกุศลก็เดินได้สะดวกเราก็มาพิจารณาดูที่กุศลศีลที่เราห้กุศลกรรมบวอีกสิบก็มาไข้ควรวญได้เหมือนกันใช่ไหมแล้ววัดต่างๆที่เราทําเนี่ยหรือทานกุศลเนี่ยเราพิจารณาดูิเรามาไข้ควรวญดูดิเอาทานทั้งหมดที่เราให้ไปนเนี่ยนะก็ลองมาไข้ควรวญดูนะใหม่ๆก็ไข้ควรวญแบบหยาบๆก่อน ก็ไข้คนแบบหยาบๆที่ไปตามลําดับอันนี้เราก็เคยให้นะให้ให้ให้ไปตามลําดับบางทีไม่อิ่มใจเหมือนเหมือนพระโพธิสัตว์ที่นะที่พระโพธิสัต์ท่านบอกว่าอท่านพิจารณาดูแล้วเหม่ไม่อิ่มใจเลยอคิดถึงให้อะไรก็ให้มาหมดแล้วนี่ไหมนะให้มาหมดแล้วเอ้เหลือในกระแสขันนี่ยังขันยังไม่ได้ให้แล้วอะไรหัวใจเนื้อเขาอยากจะผ่าหัวใจแล้วยื่นให้นะในกรณีอย่างนี้ อยากจะให้แขนให้อวัยวะให้ให้หัวใจให้ดวงตาเป็นต้นอะไรนี้ให้เลือดให้เนื้อพิจารณาอย่างนี้โหปราโมทปีติประสิทธิความสุขสมาธิและปัญญาก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะแผนดินไหวเลยคิดอย่างเนี้ยเนยเราบางทีคิดไม่กล้าคิดนะเหมือนอาจจะมาทีละมันคิดว่าอีทีละอีเห็นเขาบริจาคเลือเอีเพาให้อย่างไรเนี่ยพอให้อย่างอื่นให้ให้ไปไหนข้าในเข้ามันยังว่า ไม่ค่อยได้รับรามวดเท่าไหร่แล้วนักเข้านักเข้าเอ๊ะให้เลือดดีกว่าเพ่าให้เลือดชุนใจอะไรเนี่ยนมันก็เริ่มกล่าวดขึ้นทิที่อยู่ที่วิธีการวิธีการถือวิธีการถือทีนี้เหมือนว่าทีนี้ถ้าให้อีกอย่างหนึ่งมันกลายเป็นตันหามาหน้าทิฏฐินะอย่างยกตัวอย่างเช่นให้ครบเนี่ยแล้วว่าอันนี้เราให้เนะพี่ารนาวเออนิทางในภูสุนลรเราก็ให้บางคนมาก็เนี่ย ใครที่ไหนเคยนั่งรถไปกัยอยมโยมก็บอกเนี่ยโยมทามาแล้วโน่นนี่นี่วันี่โยมมาทามาแล้วที่โยมโยมมาทำมาแลาวทำเยอะแล้วเกินแล้วเราสังเกตุเอ๊ะทำไมกุศลของโยมไม่ค่อยเดินเลยโยมมีคนเครียดกัง่ายอะไรก็ง่ายแล้วเราคิดดิโยมโยมติดยังไม่ถูนโยมคิดยังไงมาเล่าว่าโอ้ามาเขาบอทำทมาอย่างนี้ใครสู้ก็เราก็ทาเยะเอาเลยจมานมาเลม ใช่ไหมอย่างันเขาบอกว่าลูกๆบอกเขาบอกยอมถ้ายังแม่ตกนรกแบบคนก็ตกนรกกับน้ำประเทศ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหนักใหญ่เลยใช่ไหมคือแกทำเยอะจริงอ่ะแกก็บอกว่าถ้าทํานขนาดนี้แล้วตกนรกมาก็้องมีอยู่วันไิ่ง ไ, ได้ข่าวหมีแพ น, น้าที่เชียงใหม่มปไหถึงก็คุยกันยังไงถามว่า มีในป่าเยอะแยะเลยไม่ได้หยิบได้ดีมันหมีตัวนี้เลยใช่ไหมเออแปลงเป็นยังไงท่านนี่ไงยอมก็ให้ทานเยอะหมกบอกเให้ทานเยอะอ๋อเป็นอย่างงี้เลยท่านก็ให้ทานเยอะถามมายมตัวให้ทานถึงครั้งละสิบล้านยังแต่ก็ นี่หมีเขาได้ที่อยู่สิบกว่าล้านเน่ต้องเกิดจอเหตุยช่นะมมันอยู่ๆฟุกไม่มีอ่ะมันจะมาจะเหตุปัจจัยแ้เนี่ยทาบอกเอ๊ะท่าบอกว่าเอ๊ะไอ้การเรืงการเป็นหมีเนี่คือตกทารกแหละเย่อแลยนี่รงอภัยภพินี่ยเข้าโยมสักเออเรื่องจะขยดเรืนี้แล้วองนก็อยากพูดแล้วเองั้นโยมจะคิดยังไงอะโยม่ไคิดจริงจังะ เจะคิดยังไงดีก็บอกว่าที่จริงในทานในกุศลอย่าให้สังเกตดูในหมวดของจาคานุสติเขาจะกำกับเขาไว้บอกว่าถ้าจะเป็นจาคานุสติจะเป็นอนุสติได้ยไ่มไม่ว่าจะเป็นจาคานุสติสีลานุสติเห็นไหมพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติเจีาคานุสติเป็นต้น ในบรรดาอนุสติทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดอริยสัตร์บรรลุมรรคผลได้หมดเลยเลยแต่จาคานุสติการสละเป็นทานเป็นตัวเหล่านี้ต้องเว้นจากตัณหามานะทิฏฐินะถ้าไปให้ด้วยตัณหาด้วยให้ให้ด้วยมานะหรือให้ด้วยทิฏฐิทานนักกุศลในนั้นท่านบอกไม่บริสุทธิ์เอามาเจริญเป็นอนุสติไม่ได้ระหว่างนั้นเนี่ย เออก็มาพิจารณาดูอ๋อนี่ไงเวลาเราศึกษาพระธรรมเนี่ยมันต้องศึกษาให้เป็นเลยใช่ไหมพอเริ่มต้นจริงๆนักศึกษาวิธามก็ศึกษาเรื่องจิตถ้าจิตนี่เป็นวิญญาณนะขันเจรสิท์ก็เป็นเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารขันรวมเป็นสี่ขันเลยแต่เนี้ยใช่ไหมนำ ม, มาขันสี่แล้วก็ศึกษาเรื่องรูปก็คือรูปประขันใช่ไหมวเวลาศึกษาในเรื่องต่างๆเหล่านี้โดยมากไอ้เรื่องการพิจารณาเราไม่ค่อยจะแนะกันไง ไม่ข้อเย็นแหกันก็ศึกษาเขาเรียนกันไปอยู่พี่ใช่ไห้พวกันเขาเรียนเรียนเรียนกันไปเนี่ยแล้วก็แบกคําสอนกันไปนี้คือเขาก็นึกว่าเราเข้าใจใช่ไหมเวลาเรียนเรียนเรียนกันก็นึกว่าเข้าใจแต่พอในชีวิตจริงก็เอาอีกแล้วคนละเรื่องกันเลยทั้งๆพอเรียนจบกลับมาลิในระหว่างเรียนกันบางทีกันล้อกันแนห้องเรียนก็มีเคยขัดเพืง่อนเวลาเรียนเกันสมัยก่อนนาจามาก็เป็นนั่งดูเอ๊ะทำไมครูหน้าดํำหน้าแดงมาสอนนักเรียนนักเรียนก็โกรธครูครูก็โกรดนักเรียน ก็ครูก็บังคับให้นักเรียนต้องนักเรียนก็ไม่อยากท่องอะไรก็แล้วแต่เล่นงั่นไงบางทีก็เสียงทบทบทโต๊ะกันตุมจังตุมจังทำไมเอ๊ะทําไมเรียนพระธรรมแปลกกันนี้แล้วบางทีเรียนพระธ <c oughs> รรมก็จะมีเรื่องอะไรไม่รู้มาเม๊ะบางทีตอนนันอาตมาก็ขึ้นในในในกรุงเทพเอามาไหมเคยลองเป็นนั่งฟังเขาเนาะเขาม่รู้จักนะแก่เป็นนั่งฟังนะคราบนี่เสียงพระธรรมจครังหนึ่งการเมืองมาซะแล้ว ที่การเมืองมาในห้องธรรมแล้วห้องธรรมมาแล้วจักเริ่มแล้วเรื่องการเมืองแล้วแล้วก็แล้วก็เล่นด่าการเมืองกันเล้จายมาโอ้ยอย่างเงี้ยยุ่งแล้วใการเรียนที่ไม่ดีเนี่ยเป็นโทษการเรียนที่ไม่ดีเป็นโทษเพราะว่าในขณะที่มนฑสการในการเรียนพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าใช่ไหมคือคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของบริที่สุด แตผู้ผู้เรียนผู้สอนกันเองก็เลยกลายเป็นว่าที่ท่านถึงสอนกันไว้ในเรื่องของการว่าอัลลัคทูปริยัตการจับปริยัตหรือการจับคําสอนของพระเจ้าเหมือนกับจับงูพิษทางหาก็หนึ่งเรียนด้วยโลภะมินทิศสองเรียนด้วยโทสะเป็นต้นเรียนด้วยจิตฟุ้งซ่านเป็นต้นนึ่งจริงๆในขณะที่ศึกษาว่าทาคำคําสอนของพระเจ้าน้อเป็นไปการขัดเกลาใช่ไหมเป็นไปกับการขัดเกลอที น, นี้ในด้านของทานในกุศลเนี่ย ทานนักกุศลแต่ว่าพิจารณาอย่างไงว่าพิจารณายกตัวอย่างเช่นว่าน้อมระ ล, ลึกถึงทานกุศลที่ตนเองเคยให้เคยสละเคยบริจาคใช่ไหมเอามาเป็นอารมณ์ในการที่จะมาใคร่ควรพิจารณาทีนี้ถ้าพิจารณาในขณะที่พิจารณาถึงทานนกุศลเนี่ยดูตรงไหนดูตัวเจตนาในการใช่ไหมเจตนาทานอย่างหนึ่งอโลภทานอย่างหนึ่งเป็นก็นี่พิจารณาตัวเจตนาเจตสิกเนี่ยนะเป็นตัวมุ่งและนำสำหรัมเยุะแต่ทำเป็นต้นเหล่านี้ ดังนันตัวเจตนานี่เป็นประธานในการให้ในขณะนั้นเนะี่ยนามขันที่มีการน้อมให้ที่มีเจตนามีจิตคิดจะให้ก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้เนี่ยอันนี้คุมนามธรรมใช่ไหมและอย่างหนึ่งก็คืออโลภะก็เกิดขึ้นในขณะนั้นคือการตัดการสลดัดการให้แบบไม่เยื่อใยเนี่ยมันเกิดขึ้นฉะนั้นนะเจตนาเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็ให้ด้วยศรัทธาด้วยใช่ไหมให้โดยการที่จะบูชาใครละ บูชาคุณของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเลยน้อมนอบนอบ้น อ, น อ, น อ, นอมในการจะถวายสงฆ์เนี่ยน้อมน้อมบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยตรงนั้นมันเป็นกลุ่มของนามาทำล้วนๆและในการที่จะหยิบจะยืมของในการที่จะให้จะสละนั้นะเป็นกลุ่มของรูปธรรมใช่ไหมสรุปก็คือขันห้าขันนั้นนมีการในการที่จะน้อมสละแล้วก็ให้สิ่งของที่จะให้นั้นก็เป็นมหาผู้ใช่ไหมเป็นวัตถุธทานทั้งหลายเนะี่ยก็คือสละดินน้ําไฟลมสีกินรสโอช า, าธาติแล ที่เราจะสมมุติเป็นหนังสือก็ได้เป็นพัตไรพีดกกระดาษใช่ไหมเป็นพระธรรมคําสอนเป็นแผ่นซีดีเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เราน้อมถวายนั่นคือวัตถุในเนื้อหาของสิ่งนั้นอาจจะเป็นธรรมทานอยู่ในนั้นก็น้อมหาน้อมน้อมในการถวายธรรมทานเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะ่าแบบเนี่ยในการสละในการบริจาคในการที่ให้ต่างๆนเนี้ยนั่นคือกลุ่มคันห้าที่ให้ใช่ไหมเราก็สามารถจะแยกแยะพิจารณาได้โอ้เนี่ย เราได้สละไงกระแสขันในอดีตของเรานั้นได้น้อมถวายทานนักบุญเรเรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้มันจะไม่มีตัณหามล้นะที่ถี่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยนะถ้าไปไขควรไปพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ในการพิจารณาอย่างนี้ที่ประว่าในขณะที่เราให้อย่างนั้นจนะถามว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นปริมาณของศรัทธาที่เกิดขึ้นในการปารวบคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นนะ ปริมาณของบุญกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราปรารถคุณของพระพุทธเจ้าและคุมคุณของพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยฉะนั้นเน่ยปริมาณของบุญกุศลเนี่ยมันจึงมีมากปริมาณของบุญนั้นมากทีนี้มาไข่ควรถ้าเรายิ่งมาไข่ควรมากขึ้นไถ่ควรเรื่อยเื่เนี่ยใหม่ๆเนี่ ย, ย, ยก็ดูว่าเอ๊ะเวลาไถ่ควรใหม่ๆเนี่ยมันดูมันก็ยังไม่ชื่นใจนะแต่ถ้าหากไถ่ควรมีปริมาณหนึ่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ทำโยนิสโสมนัสิการในการพิจารณาในการค่อยควรมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นอัธยาศัยจนเป็นการระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆใช่ไหมถ้าระลึกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยจิตมันมีกําลังมากขึ้นแล้วมันเริ่มน้อมได้เป็นนมันไม่ใช่คิดธรรมดาแล้วต่อไปเนะกระแสของความคิดมันจะเริ่มมีพลังในการคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกนกุศลมันจะเริ่มมาก ทีนี้พอคิดเนี่ยคิดจนขนาดไหนคิดจนการเป็นว่าทานนกุศลเป็นต้นที่การสละการบริจาคนั้นจนเป็นปัจจัยเกิปลาโมดได้พอปลาโมดเป็นปัจจัยเกิดปีติเป็นปัจจัยเกิดปัสสัตทีเป็นปัจจัยเกิความสุขที่มันเกิดขึ้นมาได้ถ้าอย่างเงี้ยมันได้ดีตรงนี้ไงถ้ามันไม่เกิดปลาโมดปีติปัสสัตทีเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันจะเอามาไข่ครวนได้ไหมเพราะว่าอย่างมากที่สุดเนี่ยทานกุศลมันจะได้อุปจารแสมาธิ ไอตัวอุปจารสมาธิคือกลุ่มนมามธรรมทั้งหลายมีจิตเจริญิตเป็นต้นเหล่านี้เนะียที่มันเข้าถึงความตั้งมั่นจนสามารถละนิวรณ์ธรรมได้ระดับหนึ่งเลยนะอุปจารสมาธินี่มันรับกามาฉันท้พยาบาทีนะมิท้าอุเทจากูกุจ่าและกุวิจิกิจฉาได้เลยระดับข่มได้ระดับหนึ่งนะที่มันข่มได้เนี่ยระดับนั้นมันก็เริ่มเกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดปัดปสสติเกิดความสุขขึ้นทีนี้พอเกิดความสุขเกิดสมาธิขึ้นในขณะนั้นเนี่ย ท่านถอยจากสมาธินั่นแหละที่ท่านไข่ควรเนี่ยนั่นท่านไข่ควรถึงกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายต่ตางแบบนั้นนั่ น, นแหละเอาพิจารณามาไข่ควรวมื่าพิจารณาไข่ควรเบ็ดเสร็จเหล่านี้ใช่ไหมน่ะเข้าน่ะเข้ามันจะเห็นกลุ่มของนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนั่นเนีะมันเออไอปีติมันเกิดขึ้นโดยสายเหตุปัจจัยเป็นต้นเหล่านี้ น, นะเนี่ยแล้วปีติเนี่ยเป็นกลุ่มของสังขารละขันใช่ไหมเป็นสภาวะธรรมเนียเป็นกลุ่มของสังขารละขันมันเกิดร่วมกันกับกุศลแจิตเป็นต้นเหล่านี้ ก็มาพิจารณาปีติจริงๆเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มว่ามันเกิดร่วมกันอะไรเนี่ยเกิดร่วมกับเวทนาขันเกิดร่วมกับสัญญาขันเกิดร่วมกับสังขารขันเกิดร่วมกับวิญญาณขันแล้วก็อาศัยรูปขันเป็นต้นเป็นไปเนี่ยเ้รูปขันที่ทีกระทําในการให้ทานเหล่านั้นก็ดับไปแล้วหมดไปแลเสริมไปเลยเป็นต้นเหล่านี้นะเหตุปัจจัยในการที่จะเกิดปีติเป็นต้นเหล่านี้ก็ก็ก็ดับไปแล้วก็ไม่เที่ยงนี้นะ และปัจจัยคือปีติเป็นต้นเหล่านี้นก็ไม่เที่ยงเหตุปัจจัยที่เป็นปัใจจัยเกิดปีติมันก็เป็นทุกข์นะฉะนั้นตัวปีติเป็นต้นนึงก็เป็นทุกข์มันก็ทนอยู่ในสภ า, าวะเดิม dela. มันไม่ได้ก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเดิมเหตุปัจจัยของปีติเป็นตนน้นเนึงเป็นอนัตตาฉะนั้นตัวปีติเป็นต้นนี้มันเกิดขึ้นจากการบริจาคทานเป็นตนนะ้นนะมันก็เป็นอนัตตาไปด้วยนั่ก็ไข้ควรจริงในหลักการต่างๆเหล่านี้ท่านไข้ควรยันอวิชชาตฐากรรมในอดีตด้วยซ้ำไปเนะย แล้วก็มาพิจารณาทุปัใจจัยในปัจจุบันนี้ด้วยที่เกี่ยวกับ น, นามรูปบ้างเกี่ยวกับภาษาเป็นต้นบ้างก็งมาใคร่ควงปัจจัยของเขาแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นต้นหนึ่งท่านถึงสามารถที่จะไข ค, ควงลงสู่ด้วยความเป็นไตรักเป็นต้นนี้เลยแต่จริงๆมันมาจากอะไรหนึ่งมาจากสมาธิมาจากปราโมทย์ปิติแล้วท่านก็เริ่มไข ค, ควงด้วยความเป็นนามรูปจากนามรูปก็เห็นปัจจัยของนามรูปใช่ไหม พอเริ่มเห็นปัจจัยข้างนามรูปไม่เที่ยงตัวนามรูปไอ้ตัวเกี่ยวในเรื่องของปีติเป็นต้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาเป็นต้นและในที่สุดจริงๆท่านก็เห็นความแตกดับของสภาวธรรมต่างๆเหล่านี้ในที่สุดจริงๆนั่นแทงตลอดเป็นต้นแล้วในที่สุดจริงท่านก็ บ, บรรลุได้นะเป็นพระรหัได้รูปหนึ่งมาสายนี้เป็นต้นเห่านี้ยให้สังเกต ด, ดูในอนุสติทั้งหลายเนี่ยทุกอนุสติเนี่ยล้วนิยมีพระรหัสดับเกิดขึ้นมาจากสายแต่ละสายเยอะแยะหมดเลย นั้นท่านเชื่อมโยงจากทานในกุศลเนี่ยนะเข้ามาหาศีลกุศลสมาธิกุศลและปะัญญากุศลท่านก็ประชุมอริยมรด์ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นมาพิจารณาในลักษณะเนี้ยแม้แต่หม้แจะบรารมีแม้แต่พระพรโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านบังเป็นบรารมีถ้าสังเกตุดูนะเวลาท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเวลาท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่ว่าประทับนั่งอยู่ตีใต้ตนประสีมหาโพเป็นต้นที่ท่านเสวยมุติสุ แด้อยู่ต่อมาท่านก็นมายืนเพ่งต้นพระศีมาหาโพท่านก็นจ้องดูรัตนบัลลังก์เป็นต้นแล้วดูนี้ท่านคิดอะไรแค่ท่านคิดบา ร, รมีของท่านนี่ก็ไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วใช่ไหมแค่บา ร, รมีของท่านที่สั่งสมมาเอาแค่ทานอย่างเดียวแต่ท่านจะมาค่ายควรทานกุศลที่ท่านสั่งสมมาตั้งแต่ตั้งยี่สิบประสงค์ขศีลกุศลที่ท่านค่าควรมาตั้งยี่สิบประสงค์ข่ใช่ไหมทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมารบารมีก็ยี่สิบประสงค์ข <บ> <PTSD> ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีแล้วก็เมตตาบารมีอเบขาจจบารมีที่ท่านใถ่ควรนั่นแท้แค่ท่านใถ่ควรบารมีทรรมของท่านเนี่ยกว่าที่ท่านจักมาได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องท่านใถ่ควรมาทุกๆบารมีทั้งอุปปาลมีปรมัภิบาลมีที่ท่านทํามานี่ท่านแลกมาด้วยอะไรกว่าที่จะได้สัมมาสัมโพธิญาเนี่ยท่านลองพิจารณาดูว่าการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านท่านต้องใช้เวลาถึงขนาดนั้นต้องใช้ความเพียรถึงขนาดนั้นต้องใช้ปริมาณของทานขนาดเนี้ยสรุปแล้วโลกใบนี้ยังน้อยโดยทั้งไปใช่ไหมที่พระเจ้าให้โลกใบนี้ั้งเรียกว่าน้อยกุศลศีลนะี่ยไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่หรือว่าเนคขมมะที่ทํามาก็ไม่รู้เท่าไหร่ปัญญาก็ไม่รู้เท่าไหร่วิริยะขันติสัจจะเป็นต้นเหล่าเนี้ยเมตตาแล้วก็เวขาเนี่ยพระองค์ทํามาเท่าไหร่นี่นะเรามาไขค้น ฉะนั้นทางนบา ร, รมีที่เราทําเนี่ยอือเราทําเราเดินตามรอยใครอ๋อเดินตามรอยพระพุทธเจ้าบูชาคุณของท่านใช่ไหมปริมาณที่เราทําได้แค่นี้อก็ชื่อว่าเราได้บูชาแล้วแล้วก็ตั้งอัตยาศัยว่าเราจะทำํำที่งขึ้นยุติศีลกุศ ร, รเป็นต้นนี้ก็เหมือนกันปริมาณของศีกุศลเอย ปริมาณของเนกขมมะเอยการทําจิตออกจากการมาวิตกขยาบาววิตกวิหญิงสาวิตกเป็นต้นใช่ไหมหรือปัญญาบารมีที่เราสั่งสมอบรมจากการฟังจากการเรียนจากการศึกษาจากการใคร่ครอะไรต่างเนี่ยเราต้องการเดินตามรอยวูดใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะผิดผิดพลาดพาดมาแล้วก็ก็แล้วไปใช่ไหมแต่แล้วก็ตั้งอัตยาใสาไว้ตั้งอัตยาใสาว่าเออถ้าต่อไปเนี่ยเราจะเดินอย่างชนิดที่ว่าอย่างระมัดระวังหวงนั่น ไม่ให้ไม่ให้ออยออกนอกทางอีกแล้วให้ให้ออกนอกทางคําสอนอีกแล้วเจ็บปวดจะไม่ชีวิตเนี่ยถ้าการเจากแดนเดินผิดเดินผ้าที่เราเจ็บปวดมาจนทุกวันก็มาไข่คนพิจารณาก็บารมีธรรมของพระพุทธเจ้ามาไข่คนเที่เราเดินเนี่เดินตามเนี่นเราก็บูชาคุณคนได้ทีนี้กรณีอย่างนี้ในขณะที่เราเดินตามแล้วก็ศึกษาพระธรรมคาสอนเราก็เก็บบารมีไปเรื่อยๆอยู่นะไอ้ข้อไหนที่ไม่ให้สังเกตูุไหมพระบริศัตท์เนี่ยพระพุทธเจ้าในรองที่สร้างบารมี เกิดมาแต่ละชาตินะท่านทําทุกข้อให้สังเกตนะแต่อะไรจะเด่นก็กก็็จะเด่นแต่ว่ามไม่มีเลยที่จะไม่ทํานี่เราก็มาพิจารณาดูนี่การที่เราจะพ้นทุกข์ได้มันก็จะต้องเดินตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เด็ก็ใครควรพิจารณาด้ี่ในชีวิตทั้งนะยังไง ใช่ใชชนั่นแหละเขาเรียกเป็นวิมุตตายตนาข้อที่ห้าเขาเราเราเรียนนิมิตสามสิบแปดในสามสิบแปดก็คือนี่แหละกลุ่มพวกอนุสติสิ็นต้นแล้วก็เอามาไข่ควรในลักษณะนี้เอามาใคร้ควรเอามาพิจารณาไปเศร็จก็คือปฏิบัตินั่นเองคือการปฏิบัติเนี่ยบางทีต้องบอกว่า ถ้าเราเอาอัตถะของคําว่าปฏิบัตินี่จะชัดคือการทรําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นมานี่เขาเรียกปฏิบัติคือประกอบศิกขาสามลงในกระแสขันนั่นเองนั่นแหละคือปฏิบัติก็คือการทํำปิญญานั่นแหละพูดกันก็คือการทํำปิญญานี่นเองก็คือมาเอามาเอามาไขขึ้นโดยความปัญญาตักปัญญาแล้วก็ตีรณนาปัญญาเพื่อสรุปลงป่าหนะ้าปัญญาตรงนั้น ปหาน้ปริญญาเนี่ยเป็นทั้งโลกี้ยะโลกุตระนี่ยเป็นทั้งโลกียะโลกียะโลกุตระถ้าตั้งแต่พังคานุกัษนาญาณเป็นต้นเหล่านี้ไปมันจะเป็นโลกี้ยะจนถึงอนุโลมายานพอโคตทลูยานพอถึงมัคคายานเนี่ยมัคคายานนี้จะเป็นโลกุตระเป็นปัญหาหน้าปริญญาจะเป็นโลกุตระก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในบรรดาอนุสติทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ต้องเอามาให้ควรศรษก็เอามาให้ควรแนวเนี้ย ใช่ไหมแม้แต่พุทธคุณเนื้อพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติคนที่เขาระลึกกันได้หยดบได้ดีเป็นพระโสดาบานันที่เห็นชัดๆเลยนะตอนที่ภาษาลิบุตรจะประลิพนิพานคือแม่ของภาษาลิบุตรใช่ไหมยอมแม่ของภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรแสดงพุทธคุณแสดงพุทธคุณในการที่ว่าใหม่ๆ ใ, ใช่ไหมใหม่ๆที่บอกว่า แสดงพุทธคุณแบบที่บอกว่าไปถามลูกว่าเออเมื่อตอนเย็นเย็นใครมาเยี่ยมเห็นะหใครมาใครมาเยี่ยมนั่นคือการแสดงพุทธคุณนั่นนะบอกอ๋อทีนี้ยก็บอกว่าเท้าจาตรงเนี้ยนะนอ๋อที่ไม้ช่วงน่ะเท้าสกัดที่ไม้ช่วงน่ะโอ้ โ, อโหแม่ก็จะเลินพุทธคุณนลบอกโอ้โหคุณของลูกขนาดนี้แล้วของพระศาสดาของลูกจะขนาดไหน คุณของโลกขนาดนี้คุณของภาษาสดาจะขนาดไหนพระเจ้ภาษาลิบุตก็แสดงพุทคุณพอแสดงพุทธคุณน ะ, ะณปลาโมตีติปสัสสติความสุขสมาธิตัวทันภาษาลิบุตก็สรุอริยสัจเอานี่บรรลุเป็นพระโสดาบันก้าวเท้าโอ้ยภาษาสดาดีอย่างนี้ทําไมไม่บอกแม่กันกันมันสรุปลงนะให้ก็รสรุปแล้วก็คืออาพุทธคุณมาทําบาริ ญ, ญายนี่ มำแต่ว่าใหม่ๆเอามาทำอะไรเอามาไข้ควรโดยการเป็นเจริญพุทธคุณพุทธคุณให้ได้มาากขึ้้นนคืออเัปรใใชช่่ คือการศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าระดับศีลระดับพระวินัยระดับพระสูตรระดับพระพิธรรมเนี่ยเพื่อกลุ่นกันหมดเลยจะเพื่อกลุ่นกันหมดเลยถ้ า, าว่าเราไปคิดว่าเออศีลไม่สําคัญพระสูต ร, ม ร, รมไม่สมการในวิธรรมไม่สมารในยุ่งเลยที่จริงการเพื่อกูลกันหมดสมัยก่อนธรรมมา ก, ก็เป็นอย่างนั้นพอประเพทที่หมายอภิธรรมงเงยิดี่ยวอภิธรรมนี่เหมือนศึกษาเออป็นลำเล่นนั้น imported. มามาก็มาท่องสาทยายไม่รู้เป็นยังไงด้วยท่องพอเรามาท่องเกี่ยวในเรื่องการจาแนกขันเนี่ยยตนะท่าสัจจะอะไรเนี่ยมันไล่ไปบางทียึดโดยเฉพาะเรียนไม่ใช่ไม่เยอะใช่ไหมเข้ามากลุบตาขันตวกติ ก, กันดีีกตกกิกาเยอกติกาทาตัวอสัง um ่งไม่ท่องว ไปไล่ไปนะปรูปปะขันนี้นับสงข้อไดความเป็นขันในยัตนาธาธารายวิสัชนาวะรูปปะขนันต่อูปะขันทังมีรูปปันนักษณะคือรูปยี่สิบแปดที่นับสข้อได้รูปะขันหนึ่งอายตนาสิบเอ็ดาสิบเอ็ดนะีต้องคิดนะว่าพิจารณาแล้วก็ไปลไล่ไปตามลาดับทีท่องไปใหญ่เลยนี่ท่องท่องปะปไปท่องไปท่องมาเอ้วมันปฏิบัติอยู่ตรงไหนอนะไป ใช่จริงก็คือว่าจริงๆแนวที่ท่านให้มันถูกแล้วที่ท่านให้ด้วยความออกมาทําเป็นยาตับปริญญาดีแล้วนะปริญญานี่มันถูกแล้วแต่ว่าเราไข้ควรน mm ี่คือแล้วบางทีไปไข้ควรนี่โลภจิตท่านนี่คือท่องแบบสนุกกันแข่งกันนี่ ไ, ไปเลย mm hmm. แล้วอุ้ยคนท่านมันได้ดีกว่า mm hmm. แล้วโกรธเขาไม่พอใจก็แข่งใหญ่หไปก็่าเราเรื่องเลยถ mm ้า hmm. เราเดินจิตผิดไปเป mm ็นจิตแล้วก็ามามาเริ่มต้นมา เนี่ยผู้ศึกษาใหม่ก็เป็นเหมืงนก็ศึกษาใหม่ก็เรื่อยๆเป็นเหมนเนกว่าจะแทงตลอดมันก็เป็นอย่าง้